นวศรานังยันติพัปตะว a นนานิจจาอารามรุกเจตยานีมนุษย์สัพย a ตจิตตเนตังโคศรานังเขมังเนตังศรามุตตังเนตังศรานามากัมมั ซาบาดุาปมุจติโยจาปุถันจาธรรมัญจาสังขันจาสารังกะโตจัตตาริอาริยาสัจานิสัมปัญญาญาปสติทคขังทุกขโมบตาทังทุกขะจาติกามั รยังจะทังจิกรรมมาคังทกข์ปะสมัมมาคามินังเหตังขสทศนะนังเขมังเหตังศรณามุตตมังเหตังศรณามาคา ม, มาสบับะเดวขาปะมุจติข อ, อนอกนอกแดดพระพุทธมีพระภาเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลส แตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระริยสรงเจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเครารพเอื้อเผื้อพระประว ศ, ศาสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันต์ตะไคุกคามแล้วก็สแสวงหาต้นไม้โพเขารุกขเจดีพระอินพระพรหมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งกันมากมายพระประวัติศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สรณะอันกเกษม นั่นไม่ใช่สาราณาอันสูงสุดเมื่อประชาสัตย์อาศัยสาราณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากหมานตะไพหมานตะทุกเป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดขอถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงปา ร, ริยสงฆ์ว่าเป็นสาราณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภยัยเข้ามาศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนเองจนสามารถทําศีลสมาธิโดยเฉพาะทํามญาณปัญญาให้เกิดขึ้นจนแทงตลอดทุกโดยการกําหนดรู้ สมุทัยด้วยการละให้หมดเสี้นนิโรธด้วยการทําให้แจ้งมรด้วยการอบรมและเจริญจนสามารถพัฒนาปัญญาให้เป็นอิสระได้เป็นอิสระเสรีภาพจากกิเลสและกองทุกได้พระเจ้าตรัสว่านั่นและเป็นสระนาอันกเกษมนั่นและเป็นสระนาอันสูงสุดเมื่อประชาชนอาศัยสระนาเหล่านั้นแล้วจึงสามารถพ้นจากมารจะพายมารจทุกข์จ น, นได้ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ คณะมีท่านผอ อ, อ, อ, อยู่หรือเปล่ารองผ อ, อแล้วก็ตลอดถึงคณะหมอพยาบาลแล้วก็บุคลากรของโรงพยาบาลชทยบาดาลแล้วก็ลงท้ายด้รลบุรี <c oughs> ทุกท่านนะตลอดถึงญาติโยมที่มาที่เป็นผู้อุปถมัมภ์โรงพยาบาลก็มารับฟังด้วยเอามือลงนะ ยจะได้นั่งแบบสบายสบายนะวันนี้หัวข้อเรื่องที่จะให้พรามาสนทนามาคุยด้วยคือเรื่องเรื่องว่าอะไรนะ่อยู่อย่างไรให้เป็นสุขเปอยู่อย่างไรให้เป็นสุขเชี๋ไหมหรืออยู่อย่างไรให้เป็นสุขล้วตอนนี้โยมนั่งอยู่มีความสุขดีไหมมีไหมโอเคมีนะ อย่าบดนั่งอย่าบดยืนอย่าบดนอนแต่อย่าบดเดินไห น, น, นสุกมากกว่ากันงั้นตอนนี้ไม่อนุญาตให้นอนฟังใ ห, ให้นั่งฟังเพราะถ้านอนฟังเขาเรียกไม่เคารพธรรมยกเว้นยกเว้นคนป่วยถ้าใครบอกว่าอาการป่วยแล้วจะอยากจะฟังถ้าอนุญาตให้นอนได้ก็นอนฟังแต่ถ้าไม่ป่วยเนี่ยถ้าไม่ป่วยแล้ว ถ้ายอมนอนปุ๊บพระไปแสดงธรรมแก่บุคคลที่ไม่ป่วยพระปินาบัดเออมีข้อแม้อย่างนี้ด้วยสรุปแล้วตอนนี้ก็ยาบทเอาเอยาบทนั่งไปแล้วกัน น, ะนั่งให้ให้มีสุขทีนี้ประเด็นที่อยากจะปารบกระสนทนาเรวกเราก็คือว่ายกสัก3สามประเด็นก็คือหนึ่งงานสองเงิน สามความสุขย่อมเจียอะ ม, มากๆนี่อายุประมาณเทาไหร่ย้อนกาศิบแลแสดงว่าทันสมัยยกสลิทธนรัฐทตน์ยุคนั้นอันนี้ขับขวัญว่าไง งานคือเงินเงนินคืองานบันดาลสุกใครได้อยางจำได้ไหมจริงไหมจีง๊งานงางานคือเงินงินคืองานบรรดาลสุกเอาใครเห็นก็ยกเงนอะทีเนี่ยคติค ข, ขวัญเนี่ยจะได้เอาไปเป็นคำขวัญตึกโรงพยาบาลใจบาดาล <laughs> ยังใช้ได้ยังไหมคำ ข, ขวัญเนี้ยอะไรนะี้ย งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขแปลว่าอะไรรู้ไหมฉันทำงานฉันต้องได้เงินเมื่อฉันได้เงินแล้วฉันนึกจะต้องมีความสุขแล้ก็มีความสุขจริงไหมยังไม่จริ ง, รงถ้าฉันทำงานถ้าไม่ได้เงิน <c oughs> ฉันจะเครียดฉันจะไม่มีความสุขและเอกติแบบนี้ยังใช้กับพวกเราได้อยู่ไหม ได้อยู่เนะี่ยงั้นเขียนติดป้ายแขวนคอเลยนะทีนี้เวลาคนที่เขาเป็นเป็นคนจ่ายเงินนี่กับเราเนี่ยเขาก็บอกว่าไงไนะเขาจะบอกว่ า, างไงฉันให้เงินคนคนต้องทำงานให้สัน่นฉันางานไม่สาเร็จฉันจะไม่มีความสุขเ <c oughs> จ้าเวลายุ่งเลยจริงนะ สรุปก็คืออย่างนี้ว่าแสดงเห็นหชัดว่าคติเนี้ยมันยังมีปัญหาในตัวมันเองอยู่นะมีตรงไหนรู้ไหม <ST. S 1> ก็คือว่าความสุขของเราเนี้ยมันจะต้องใช้อะไรเป็นตัวผ่านก่อนถึงจะได้อย่งนัต้องเด้เงเนี่สรุปแล้วก็คือว่าเราทํางานกันดีวันถึงจะได้เงินโอ้โหยีวัน28วันใช่ไหม สรุปแล้วในบรรดาใน29วัน28วันหรือว่า30วันก่อนที่เงินจะออกเนี่ยแพรว่าต้องเครียดด้วยถกด้วยมิตกกังวลด้วยเพราะยังไม่มีเงินมันจะผ่านก่อนเนี่ยพอสิ้นเดือนปุ๊บพอเงินมาปุ๊บได้สักความสุขสันินึ่งพอหลังจากนั้นพอใช้เงินเสร็จแล้วได้สอบสมบัติกันหมดอีกแล้วเครียดต่ออีก เพอยังไม่ได้ความสุขของลาต้องใช้เงินเป็นตัวผ่านเนไงท้าก็รู้เลยเนะเวลาไปบินทบาทเนี่ยวันที่หนึ่งที่สองที่สามสี่ที่ห้าเนี่ยโอ้มีอาหารใจ่ีหนยเพราตั้งแต่วันที่สิบไปแล้วนี่เอาแล้วบางคนนอกจากไม่ใส่ด้วยทำหน้างอใส่ท้าด้วยเนียอาหารแย่ลงแย่ลงฉัน ก, ก็เลยเนี่ยต้องระวังไว้เนี่ยคนที่โดยมากก็คือว่าเนี่ยเรานี่คือปัญหานะ เราสุขไม่ได้ถ้าไม่มีเงินเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวผ่านอันนี้เป็นปัญหาหมั้งนี่เราจะคิดใหม่ได้ไหมคิดใหม่ทําใหม่ได้ไหมว่าเราจะทํางานแล้วไม่มันเชื่อมประสานกับความสุขเลยได้ไหมเดี๋ยวฉัพูดเรื่องความสุขนิดนึงความสุขของคาระหัดเนี่ยมีกี่อย่างอยากรู้ไหมหนึ่งภาษาพระเขาเรียกว่าอย่าไม่ต้องจํานะ ภาษบาลเนี่ยเขาเรียกอัตถิสุขแปลเป็นไทยก็สุขเกิดจากการมีทรัพย์อย่งไม่จริงจริงไม่จริงจริงข้อแรกเปสองเพระค่าสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคไปห้างแล้วไปใช้จ่ายทรัพย์มีความสุขไหมไม่ความสุขนะไม่มีใครท้าเลยนะสาอนันตสุขสุขเกิดจากความไม่เป็นนี้ จริงมอา้าวใครไม่เป็นนี่างยกมือดิมีไหมอ๋อไม่เป็นนี่ก็เลยอ๋อนี่เขามีความสุขนอกมั้นล่ะออเป็นนี่ประการสุดท้ายคืออนวัชสุขสุขที่เกิดจากการประพฤติสุดจริตที่ไร้โทษก็เราะการประพฤติกรรมหรือการงานที่ไร้โทษนั่นจะว่าตามลาดับ ทีนี้ไอ้คำว่าอติสุขสุขเกิดจากการมีทรัพย์เนี่ยบุคคลเนี่ยมีโพกทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสะสมขึ้นมาด้วยกําลังแขนด้วยเรี่ยวแรงด้วยกําลังนยอย่างอาบเหนื้อตางน้ําเป็นของชอบทำได้ไหมโดยทำเราคิดดูนะถ้าเราไปทํางานในขณะที่ทําที่ประกอบอาชีพนั้นนมันมีความสุขจากการได้ทํานะประสมพจน์เนี่ยเห็นไหมเนี่ย สุกเกิดแต่การมีทรัพย์หมายความว่าที่เราได้ทํางานมาด้วยหยาดเหงื่อด้วยแรงงานด้วยสติปัญญาด้วยศักยภาพด้วยความรู้ด้วยความสามารถและงานที่ทำมาเป็นของชอบธรรมด้วยได้มาทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์มันได้มาโดยทําด้วยถ้าทรัพย์ที่ได้มาแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่มันได้มาด้วยแรงงานด้วยกําลังด้วยสติปัญญาด้วยศักยภาพด้วยความรู้ความสามารถและได้มาเนี่ยโดยสจริตทำ ยอมคิดไปว่ายังมีมีความสุขเลยนึกเราโหมันสุขใจจริงจริงจริงจริงแต่ถ้าต้องเองินข้ามนะเราทั้งคอรับชั่นชอรากบังหลวงไปพ้นไปจี้ไปโกงเข้ามาเนี่ยไอ้ทรัพย์ที่มันได้มาจะสุขได้ไหมยังไม่จะตรงเงินข้ามเลยเห็นเนี่ยนั้นอย่างกรณีแบบนี้คนที่เขามีความสุขเนี่ยจากการมีทรัพย์ได้เนี่ยเขาสุขตั้งแต่อะไรตั้งแต่ทําแล้ว การที่ขวนขวายเนี่ยขวนขวายในการกระทํางานด้วยเร็วแรงด้วยกําลังด้วยสติปัญญาด้วยศักยภาพด้วยความรู้ด้วยความสามารถเขายังไม่ได้เงินก่อนนะแต่ในขณะทําเนี่ยก็มีความสุขผลที่เขามีความสุขเพราะอะไรรู้ไหมเขาได้เห็นว่างานที่ทําเป็นงานสุดจริตและในขณะที่ทำเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองด้วยทั้งศักยภาพใช่ไหมพฤติกรรมทางกายทางวาจาทั้งสภาพจิตใจของเขาที่เขาได้ทุ่มเทด้วยเรยวแรงด้วยกําลังทั้งหลายในการกระทํำ มันสกเกิดขึ้นตรงนั้นที่พอได้ผลตอบแทนมาแปลว่าอะไรตรงนะี้แปลว่าไม่ต้องถ้าเบอกว่างานึือเงินเงนคืองานบร็ดานสุขแปลว่าฉันทํางานฉันก็ลอ้อถ้ายังไม่ได้เงินฉันสุขไม่ได้ไอ้กลุ่มนี้แปลว่าอะไรแปลว่าการใส่ใจหรือการคิดต่อการงานไม่ถูกต้องแต่ถ้าคนคิดถูกต้องเนี่ยเขาจะมีความสุขจากการได้ลงมือทำํำพราะการลงมือทำเนี่ยแปลว่าเขาได้ฝึกฝ น, นอะไรทั้งพฤติกรรม พฤติกรรมของท้ายได้ฝึกเต็มที่เลยทางกายทางวาจาและทางด้านจิตใจในขณะนั้นน่ ม, มีความเชื่อมันมีความก ล, กล้ากหาญาคืออย่างนี้มันไปมันไปสอดคล้องกับคำว่าก่อนที่จะเชื่อมไปตรงนั้นอยากจะให้เราได้รู้คำว่าไอ้ตัวคำว่าประโยชน์ไอ้ประโยชน์นี่ก็คือว่าจุดหมาย ประโยชน์แปัจจุบันเนียน่ยประโยชน์ที่ตาเห็นได้ประโยชน์ที่สัมผัสได้นะปัจจุบันเนียน่ยเดี๋ยวเอามาเรียงไม่เห็นก่อนนะว่าประโยชน์และการจะเข้าถึงประโยชน์นั้นเป็นยังไงข้อแรกก็คือว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพราเรามีไห้ข้อที่มีไหมโย่อย่างไร้โรคร่างกายแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ ด, ดีมีอายุยืนยาว เราเป็นคนที่ฉลาดในการดูแลแตัวเองตรงนี้มเหตุผลเพราะเราทำงานด้านตรงนี้อยู่แล้วจะไหมเรารู้เนี่ยว่าอาหารอย่างไรที่มันจะทําให้อายุสรรั้นอาหารอย่างไรที่จะทําให้อายุยืนอากาศอย่างไรจะทําให้อายุสรรั้นอากาศอย่างไรที่ทําให้อายุยืนที่อยู่อย่างไรที่ทำให้อายุสั้นอายุยืนเครื่องนุ่งห่มอย่างไรที่ทําให้อายุสั้นอายุยืนยาประเภทไหนที่ทำให้อายุสรร and, anxious, ah. ั้นอายุยืนเรารู้หมดไหมพวกนี้ยทําได้ไหม อันนี้เป็นข้อเสียข้อแรกนะถ้าทาไม่ได้แต่ว่ามี่ข้อแรกเสียข้อที่สองมีงานมีเงินพึ่งตนเองได้ทางด้านเศรธธษฐกิจอันนี้โอเคไหมก่อนนี้มีงานมีเงินพึ่งตนเองได้ทางด้านเศรธธษฐกิจมีใช่ไหมก่อนนี้ยข้อที่สามมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมพอสมควรโอเคไหมก่อนนี้ได้ไหมข้อที่สี่ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสมัครสมานสามัคคี มีความรักใคร่เย็นดูกันพอสมควรโอเคไหมรอนนี้โอ้เราก็ดีกันหมดแล้วนี่นะทีนี้ประเด็นว่าการที่เราจะเข้าถึงสถานะตรงนี้ได้ข้อแรกก็คือว่าอุตฐานะคำว่าอุตฐานะสมบัติานเนี่ยก็แปลว่าได้แก่หาเลิ้ยงชีพด้วยความขยันในการงานมันมีอัน ยมเคยได้ยินคําว่าเกษตกรรมไหมเกษตรกรรมคือ ง, งานกลุ่มไหนเกษตรใช่ไหมทางนิชยกรรมคืออะไรการขายใช่ไหมโคราค ก, กรรมคืออะไรน่นจะเลยไม่รู้เลยเนี่ยยัรู้จักคำว่าโคราค ก, กรรมไหมพวกกลุ่มประสรสลักนี่อยูใช่ไหมโอ้เราได้สาบกันเยอะเลยนี่ยราชการทหารก็ดีราชการพลเรือนก็ดีของเรากลุ่มไหน พอระเรื่องศิลปะอย่งางใดอย่างหนึน่งเธอเป็นผู้มีความชมํชมนานิชานาญไม่เกียจค้านแล้วคนเกียจค้านหรือไม่เกียจค้านขยันหรืขยันหรือไม่ขยนันคำว่าอุตฐานนะก็าแปลว่าขยานนันนะโบราณเขาเรียกขายานันพูดไปพูดมากลายเป็นขยันเนีเพราะลิ้นคนไทยเนี่ยไอ้คนที่ขยันเนี่ยมันอยู่ไม่สุก มันยันไปข้างหน้าเลยขาอนยันยันก็เลยขายยันภาษาไทยเนี่ยมันตกเยอะนะเหมือนคําว่าอะไรเนี่ยไม้กางแขนนี่ยพอสระเอตัวนึ่งหลุดไปเลยกลายเป็นอะไรมันมีที่ไหนว่ากลางแขนมีคำ่ไม้กางแข น, น, แขนอย่างนี้เป็นต้นนะงั้นไ ม, ไม่ไปตามเรื่องนะแล้วแต่พระานาชี้เห็นว่าขยันเนี่ยมันมาจากความก ล, กล้ า, าหาญก้าวไปใจสู้ พวกเราเป็นกลุ่มแบบนี้ไหมเวลาเจอปัญหาเจองานเจออะไรแล้วมันท้อเลยไหมรู้ว่าเห็นงานเห็นปัญหาเห็นอุปสรรคเห็นงานที่มันมีปัญหาขึ้นมารู้สึกมันเกิดฮึกเหิมขึ้นมาเลยโอ้โหได้เวทีทดสอบความสามารถแล้วคิดอย่างนั้นไหมอยากเจอปัญหาเยอะๆหรืออยากเจอปัญหาในน้อยหรือไม่อยากเจอปัญหาเอาใครไม่อยากเจอปัญหาเลยก็เลยใครอยากเจอปัญหาในน้อย ใครอยากเจอปัญหามากๆอย่างนี้ไม่ไม่อุทานนะทำไมปัญหาเป็นไงไม่ชอบหรือถ้าเจอปัญหาพวกยอมคิดต่อปัญหายัางไงยอมมองปัญหายัางไงเดี๋ยวถามหน่อยถามกลับหน่อยว่ายอมคิดว่าตนเองเป็นคนมีปัญหาไหมคิดไหมว่าตนเองมีปัญหาคิดไม่มี หรือเรคิดว่าฉันเป็นคนไม่เคยมีปัญหาเลยแต่ไปอยู่กับใครคนนั้นมักมีปัญหาทําปัญหาฉันตลอดคิดอย่างนี้ไหม ย, ยอมเคคิดตรงๆเลยเพราะผู้เลยการที่เนี่ยมีปัญหากับเรามากเลยเดินเคเคิดไหมหรือว่หน้าพยาบาลมีปัญหากับเราเคยคิดนี้ไหมทางพวกผู้เลยการเขาก็บอกไม่เนี่ย พยายาบานนี่เนี่ยมีปัญหามากจริงๆ <c oughs> ใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยเราเคยมานั่งมองหน้าแล้วก็มานั่งคุยกันจริงๆว่าสรุปว่าใครเนี่ยที่มีปัญหาใครเคยมานั่งมองหน้าแล้วแล้วเคลียร์ประเด็นกันตรงนี้มจริงๆเราใครกันแน่มีปัญหาเดี๋ยวถามก่อนว่าปัญหาเนี่ยดีหรือไม่ดีก่อน ดีหรือไม่ดีเดี๋ยวในในอริยสัจสี่เนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งอะไรทุกข์สอนสมุทัยสามนิโรธสี่นี่ท่องกันได้หมดเลยเนี่ยแสดงว่าพอรู้เรื่องกันหมดทุกคนนั้นคำว่าทุกข์เนี่ยเขาแปลว่าอะไรทุกข์มันจะคือปัญหานั่นแหละ สรุปแล้วเนอ่ยคำว่าทุกคือปัญหาเนี่ยอะไรคือทุกอะไรคือตัวปัญหาอะไรกันเนี่กระแสะชีวิตเน่ใช่เป็นทุกไหมเป็นหรือไม่เป็นกระแสชีวิตเนี่ยเป็นตัวทุกหรือเปล่าหรือไม่เป็นคําว่าทุกเนี่ยก็แปลว่ามันมีสภาพที่มันเบียดเบียนบีบคั้นและเสียดแทงใช่ไหมสภาพของความทุกมันเป็นอย่างนั้น แล้วชีวิตของเราเนี่ยมันเบียดเบียนบีบคั้นและเสียแทงย อ, อยู่ตลอดเวลาไม่เล่าเอาเวลานั่งานานทุกไหมมันทุกตรงไหนใช่ทุกที่กระแสชีวิตนี่ไหมสแสดงว่า ก, กระแสชีวิตเป็นตัวทุกใช่ไหมเนี่ยมันจะตัวปัญหามัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งตอบไปท่านจริงๆแล้วเนี่ยตัวทุกกับตัวปัญหามันตัวเดียวกันมันอันเดียวกันเป็นสภาวะเดียวกันฉะนั้นถ้าถามว่าปัญหา ถ้าเราเจอปัญหาประสบกับปัญหาเราควรจะวางท่าทีทางใจเบื้องต้นอย่างไรเราควรจะวางท่าทีเบื้องต้นอย่างไรอันดับแรกเขาบอกให้เปลี่ยนอะไรก่อนให้เปลี่ยนพยัญชนะก่อนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนปัญหาเป็นอะไรก็ออใช่เขาเปลี่ยนตัวปัญหาเป็นปัญญาก่อนดีไหม ทีนี้พปัญหาเกิดมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวขอเวลาหน่อยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนพยัญชนะแท้ที่จริงไอ้ตัวปัญหาเนี่ยหรือตัวอุปสรรคเนี่ยหรือตัวทุกเนี่ยมันคือเวทีมันคือเวทีทดสอบทดสอบอะไรทดสอบศักยภาพของมนุษย์ถ้ไไอย่างนี้ยอมลองนั่งนึกดูสิว่า บุคคลที่จะประสบความสําเร็จได้ต้องรอบรู้อะไรต้องผ่านอะไรต้องเผชิญกับอะไรถ้าคนไม่คนไม่ประสบปัญหาหรือไม่เจอปัญหาเลยเนี่ยหรือไม่เจอทุกเลยเนยีแล้วเราจะได้ฝึกผลพัฒนาตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไรฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันมีโอการลัขุนแก่พวกเรามาก ฉันมาที่นี่ฉันเลยตั้งจิตอธิษฐานเลยนะขอให้เราพวกเราเจอปัญหาเยอะๆเพราะอะไรแล้วนะเพราะปัญหาเนี่ยถ้าเราสามารถไปเชิญหรือว่าเข้าไปเรียนรู้แล้วฝึกผลพัฒนายาปัญญาให้รู้ความจริงตรงนี้ได้มันจะประสบความสำเร็จ บุคคลใดเผชิญปัญหาเยอะๆแล้วก็ฉลาดในการที่จะจัดการกับปัญหาบุคคลนั้นประสบความสำเร็จเพ ร, ะราะพทะเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้นุตต ร, ส, รสัมมาสัมพุธิยาณได้เพราะอะไรก็เพราะไปรอบรู้ปัญหานี่แหละไปแทงตลอดปัญหานี่แหละฉะนั้นปัญหาจะมีอุปการะมากแม้แต่ทั้งทางธรรมะหรือแม้ทางทางโลกเราเราทั้งหลายในที่บุคคลจะประสบความสำเร็จได้ฉะนั้นตัวเนี้ยท่านจึงบอกว่า ความแกลลาทางด้านจิตใจเนี่ยสำคัญมากหนึ่งเชื่อมั่นสองแกลลาสามก็คือมีสติกํากับไว้กับตัวแล้วก็มีความตั้งมั่นแห่งจิตเพราะจิตมีสภาวะความตั้งมั่นแล้วก็ใช้ปัญญานั่นแหละมีฐานที่มั่นแล้วก็คือมีเวทีมีฐานที่มั่นในการที่จะให้ปัญญาเกิดปัญญาก็ไปพิจารณาไปเกิดในสิ่งนั้นก็สอบสวนด้วยปัญญาเครื่องสอบสวนสตรวจตรารู้จักวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้ น, น, นสามารถ จัดการเนี่ยคือสามารถทำสามารถจัดการนี่เรียกว่าอุทาหานะสัมปทานนะก็คือหนึ่งขยันสองไม่ประมาทสามก็คือฉลาดจัดการโนครบเลยไนดะ้เนี่ยนะขยันไม่ประมาทฉลาดจัดการเลักษณะเ น, นี่ยมันจะผ่านอุปสรรคปัญหาเป็นต้นไดน้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องการชี้เห็นก็นคือว่ายอมว่า กรณีที่บอกว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวว่าอะไรอะไรเป็นตัวความสุขเดี๋ยวว่าเงินเนี่ยใช่ตัวความสุขไหมบ้านใช่ตัวความสุขไหมทรัพย์ยศบริวารญาติมิใช่ความสุขไหมแล้วอะไรคือความสุข แล้วความทุกข์เลยแหละอ่าวปจจัยก็อีกเท่านั้นสรุปแล้ว <laughs> <laughs> เห็นไม้มว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินมันก็เป็นของนอกตัวเกียรติยศชื่อเสียงก็เป็นของนอกตัวบ้านและทรัพย์บุตรภรรยาญาติมิตรเป็นของนอกกายเราหมดเลยนะทางในพระศาสนาท่านไม่เรียกว่าสิ่งเหลนะ่านั้นเป็นตัวความสุขหรือความทุกข์หรอกแต่มันเป็นปัจจัยถ้าไม่เกิดความสุขก็ได้เป็นปัจจัยถ้าไม่เกิดความทุกข์ก็ได้มันอยู่ที่ว่า เราจะมีความชาญฉลาดในการที่จะรับรู้สิ่งนั้นหรือไปเกี่ยวข้องสิ่งนั้นแล้วไม่แปลเปลี่ยนนี่เป็นความสุขหรือความทุกข์ไอ้ตรงนี้ต่างหากคือความฉลาดของมนุษย์จริงไหมทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยเก่งไหมในการ ส, าสแสวงหาสิ่งเสพเก่งหรือไม่เก่งมากไหมสแสวงหากันไปเยอะไหมไมเยอะฉะนั้นสรุปสรุปแล้วก็คือเรามีศักยภาพในการสแสวงหาสิ่งเสพมากจริงๆ เราแวสวงหารถบางคนนี่หารถได้ไม่รู้กี่คันบางคนบ้านไม่รู้กี่หลังบางคนทรัพย์ไม่รู้เท่าไร่ฝากไว้ น, นาอานกันใช่ไหมมากมายเหลือเกินทีนี้แต่ให้สังเกตดูนะว่าปริมาณของความสามารถของมนุษย์จะมากขึ้นมากขึ้นที่สามารถแสวงหาสิ่งเสพได้มากขึ้ น, น, าานแต่ปริมาณความสุขในใจของมนุษย์ทำไมมันลดลงทำไมไม่เพิ่มขึ้นนี่ปนแปลว่าอะไรไหรืม่มนุษย์เนี่ยมีศักยภาพในการแสวงหาสิ่งเสพได้มากขึ้น แต่มีความสามารถที่จะสุขน้อยลงเพราะอะไรอันนี้เพราะอะไรอ่ะจริงไม่จริงทีนี้ประเด็นมันก็อะไรอยู่ว่าสุขจากการได้เสพเนี่ยเราใช้อะไรลยถามว่าในทางภาษาพระเขาเรียกว่าตัณหายอมเคได้ยินคำนี้ไหมตัณหาในภาษาพระก็แปลความทยานอยาก หรือว่าสภาวสะที่แสแสก็เป็นหาสีเสียงยินรัตงางร่างยนต์ร่างยนสภาพของความอยากความต้องการเนี่ยอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ทรัพย์อยากได้บุตรอยากได้ภรรยาอยากได้เงินอยากได้เกียรติยศชื่อเสียงอยากได้สิ่งของต่างๆเหล่านี้มาตอบสนองอัตราตัว ความทะยานอยากตรงเนี้ยเวลามันเกิดขึ้นในใจของมนุษย์แล้วมนุษย์ก็ร่างหลนอยู่ไม่สุทธาเนะี่ดินแล้วเป็นอย่างเอาไว้มีไหมเราก็วิ่งท่านเลยตรงเนี้ยต้องการอะไรต้องการก็คือตอบสนองความต้องการมันก็เลยกลายเป็นว่ามนุษย์เนี่ยที่ฝึกฝนพัฒนาตัวเองทุกอย่างเนี่ยแต่เราต้องการตอบสนองไอ้ความอยากตรงเนี้ยนี่คือเป็นปัญหามากนะเราใช้ความรู้ความสา ม, มารถศักยภาพของเราทั้งหมดตรงเนี้ย ที่ทำทั้งหมดเนี่ยตอบสนองอะไรตอบสนองความต้องการแต่ว่าเนี่ยปัญญาก็ดีความเพียรก็ดีศักยภาพของเราที่ลงทุนลงแรงในการทำอะไรก็ดีเนี่ยเรามีใครวงการอยู่เบื้องหลังมีตันหาความทะยานอยากเป็นตัวคอยกำกับและคอนโทรลเราอยู่เช่นฉันอยากจะกินอาหารอร่อยๆคุณไปค้นขวยมาหาเงินมาหารถมาหาเพื่อนมาหาร้านอาหารมา วก็วิ่งท่านไปเลยตอนนี้เออฉันอยากจะได้ทซัม์มากๆอยากจะได้เงินเดือนสูงๆอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์มากๆเอาศักยภาพที่มีอยู่ทําให้เต็มที่เลยเพื่อมาตอบสนองตัญหาด้วความต้องการโอ้เราก็วิ่งกันใหญ่ทํา ง, งานจนจนโอ้โหซดกันหมดเลยตอนนี้ยแต่ก่อนวิวพันธ์ก็ดีๆตอนเนี้โอ้ยย่นมันเลย <c oughs> เราใจตธหาธนาก็อุ้ยมัน สารพัดเลยจริงไหมจริงไหมจริงเนี่ยเพราะเราคิดว่าถ้าได้ไปกินอาหารดีๆแล้วมันจะมีความสุขได้บ้านสวยๆแล้วจะมีความสุขได้รถงามๆแล้วจะมีความสุขได้ตําแหน่งสูงๆแล้วจะมีความสุขได้ภรรยาที่น่ารักก็จะมีความสุขได้สามีที่หน้าตาดีๆจะมีความสุขในลูกแล้วจะมีความสุขลูกเรียนจบแล้วจะมีความสุขลูกได้งานทำแล้วจะมีความสุขลูกแต่งงานแล้วจะมีความสุขโง่ายใหญ่ๆเคยเป็นไหมล่ แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนตนี้วิ่งเลยเลยนะวิ่งหาความสุขเลนแล้วได้ยังได้หรือยนงบางทีนี่เราอยู่ตรงนี้จะมาเราคิดว่าสิ่งปีเนี้ยถ้าได้โบนนะัสขั้นเงินเดือนขึ้นแล้วจะมีความสุขหวังไหมหวังมั้ยหวัง แล้วแล้วดูท่าทีมันจะขึ้นไหม <c oughs> ดูแสดงว่าเราความสุขไว้ฝากไว้กับอะไรเนี่ยไว้ฝ า, ากไว้กับตัวเลขอาตมาเนรู้จักกับคนที่ทำงานทางด้านธนาคารแล้วก็เป็นเจ้าของธนาคารอาตมาก็ถามก็ตรงๆเยนิยมทุกวันเนี้ยคนในโลกใบนี้เขาบ้ากับตัวเลขกันเยอะ บางค น, นมีตัวเลขในธนาคารใช่ไหมดูตัวเลขแล้วก็ยิ้มอยู่วราะตัวเอง ม, มีเงินที่จริงเงินที่ไดปฝากในธนาคารเนี่ยพอฝ า, ากปุ๊บไปเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีเหลือเลยเนี่ยเขาไปลงทุนไอ้นคนที่ลงทุนก็น่าดําข้้งเพีย้ยนมันขาดทุนก็ยักเยินหมดใช่ไหมดีมันวิ่งการหมุนมันสภาพคล่องมันมีอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเรามีอยู่จนทุกวันเนี้เขามีกฎหมายบอกว่า คุณจะฝากร้อยล้านแต่เขารับประกันแค่ล้านเดียวลองคิดดูดิยอมมาฝากไว้ร้อยล้านเนะี่ยแต่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาคืนให้ยอมแค่หนึ่งล้านบาทแต่ยอมไปเข้าใจว่ามันมีสิบล้านยี่สิบล้านแล้วเขาไปมีความสุขกับตัวเลข บ, บ้า บ, บอๆขอไปเห็นไหมเราเราอย่างเนี้ยแต่ถ้ายอมไปรู้ความจริงขึ้นมาหัวเพี้ยงเลยตายแล้วไม่เงินเย ไอ้คันจะไปเบิกมามาเก็บไว้ก็ไม่ปลอดภัยอีใช่ไหมไอ้คังจะไปลงทุนในอสังหาอย่างนี้ซับเขไม่ปลอดภัยอะไรไปพัวม้วนหมดเลยทีนี้นะเขาหยบจะ ม, มีความสุขเลยนะแต่ยอมไปรู้ความจริงเรื่องปัญหาเนี่ยเพราะอะไรเพราะหยบเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งเเสพแล้วก็สําคัญเช่นว่ามีบ้านเหมาะเห็นบ้านที่ไรมันพอจะสุขได้บ้างแต่ยอมไปคิดไว้ไว้ไอ้อตรงพื้นแผ่นดินเนี่ยถ้ามันเกิดกระดิ่ จุด8ลิตรบ้าหรอนั่นจะอยูไ่ไหเนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยแม่โรงพยาบาลจะอยูอย่ไม่รอดยอมว่าซับชีวิตและศรัทธาเนี่ยยอมว่ายอมควรรักษาอะไรก่อนซับชีวิตและศรัทธาคือความเชื่อมั่นยอมต้องรักษาอะไรไว้ฮะรักษาชีวิต ช, าาชีวิตเนื่องด้วยอะไรแต่ทำตอบเป็เดินผู้ยอมเลยชีวิตเนื่ยด้วยียาบทชีวิตเนื่องด้วยอาหารที่กินเข้าไปชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจเข้าและออกยมจะทํำยังไงแค่หายใจเข้าเนี่ยหายใจออกตายได้ตลอดไหมจะรักษายอย่างไงในยอมเคยจริงๆเคยเขาไปรู้ไหมตอนนี้ไตทํางานยังไง ตับทำงานยังไงปอดทํางานยังไงหัวใจทํางานยังไงสมองอีกเยอะมากฉะนั้นชีวิตเนี่ยยืดแค่ลมหายใจเข้าออกถนัดเด้งขนาดหนึ่งหนึ่นเัเด้งชีวิตเนี่ยไม่ได้คงทนไม่ได้มั่นคงอะไรเลยเหมือนกับเมลชทากาตั้งอยู่บนปลายเข็มมันจะหลุดเมื่อไหรก็ได้อันนี้คือความจริงนะแต่ยมไม่รู้มันแค่นั้นเองซับเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วตอนนี้ไปวางไว้ตรงไหน จริงๆไม่ได้มีความมั่นคองอะไรหรอกแต่มันมีความเชื่อว่ามันจะมันยังอยู่แค่นั้นเองใช <c oughs> ่ไหมหร อ, อพูดอย่างนี้เนี่ยที่ประเด็นต่างว่าความสุกเนี่ยมันจะศุกไห้เนี่ยส่งรไหมศุกสรุปแล้วก็คือว่าประโยคข้อสุดท้ายก็คือศรัทธาเรามาพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังเนะี่ยพูดเกี่ยวกับอิสลาม คนที่เขานับถืออิสลามมาถมาถไปที่โรงพยาบาลไ้ที่โรงหมอาก็ไม่เจอยกสองสามีภรรยาแล้วก็มีลูกลูกเขาก็เป็นโรคที่บอกว่าตั้งแต่เกิดมาพอได้ยักเจ็ดแดขวบเนี่ยเกิดชักขึ้นมาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่ถักก็กลายเป็นกลายเป็นเหมือนถักเหมือนคนพิการแต่เขาเนี่ยต่อสู้เขามีความรู้สึกว่า ที่แรกเขาทำท่าทุกนี่เขาคิดถึงพระเจ้าของเขาเลยเนี่ยเป็นเรื่องนาทิตสําหรับพุทธเนี่ยเขาคิดถึงพระเจ้าของเขาว่าที่เขาเจอปัญหาอย่างนี้แสดงว่าพระเจ้าทดสอบทดสอบเขาเขาก็เลยเอาความเชื่อไปฝากไว้กับพระเจ้าของเขาแล้วเขาในบ้านเขาเขาไม่ทุกกันเลยนะเขาพยายามหาเงินอาทิตต่ออาทิตย์เขาจะอาทิตหนึงต้องหาได้ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นแล้วก็ขายของแบบเนี้ยธุรกิจชุมชนเนี่ย ได้เงินมาอาทิตย์ละห้าหมื่นก็ต้องหายได้ก็จะฉีดย้ายลูกแล้วก็มีความสุขมากความสุขที่บอกว่าเขาจะต้องผ่านบททดสอบที่พระเจ้าทดสอบเขาให้ได้เขามีความเชื่อมัน่นเขาพอเจออามาก็ทํา ม, มาฉันก็บอกว่าโดยที่โยมเชื่อแบบเนี้ยมันก็เป็นความหวังของยมอย่างหนึ่งเป็นความสุขของโยมอย่างที่ได้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยยมก็แอบทุกข์ในใจใช่ไหมที่บอกชายแล้วยมอยากจะไม่ทุกข์ไหมฉันถามเนี่ยแล้วบอกว่าอยากจะฟังข้อมูลเหมือนกันฉันก็เลยบอกว่าให้ยอมเชื่อย่างนี้ยอมต้องบอกว่าเด็กคนนี้เขาเกิดมาตอนนี้เขาเป็นลูกเรายอมก็บอกเขาได้ว่าเนี่ยทุกวันเวลาที่เขาเป็นลูกเราเราจะทําหน้าที่ ของความเป็นแม่และความเป็นพ่อให้ดีที่สุดเราจะทุ่มเทศักยภาพความรู้ความสามารถและระบบการรักษาให้ดีที่สุดที่เราเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทําได้และประวัติศาสตร์ทุกขนาดจิตที่ทําให้ยอมมีความสุขกับการทํานั้นไม่ใช่ทําแล้วเนี่ยเขาต้องอยู่รอดหรือไม่รอดแต่ทําแล้วให้มีความสุขกับการได้ทําหน้าที่ได้ทําดีที่สุดในฐานะที่เป็นแม่ของเนี่ยนฐานะที่แม่ที่พควนจะกระทําต่อลูก และให้มีความสุขในการกระทำให้มีความชื่นใจในการกระทำศักยภาพทั้งหมดที่พัฒนาหรือที่ปึกผนหรือที่กระทำต่อโลกนั้นทุกขั้นตอนจะจดจาไว้แม้สถานการณ์คือกระแสชีวิตของโลกนี้จะดาวลงหรือแย่ลงแย่ลงก็มีความสุขกับการที่ตนเองได้ทุ่มเทและทา ให้สดจากการที่เห็นความสามารถของตนเองเห็นความกรุนังตนเองเห็นความมุ่งมั่นของตนเองที่ได้ทาเต็มที่แต่ชีวิตน่ะต้องยอมรับไปคําว่าชั่วคราวก็จะคำว่าพ่อชั่วคราวแม่ชั่วคราวบุตรชั่วคราวสามีชั่วคราวภรรยาชั่วคราวพยาบาลชั่วคราวหมอชั่วคราวหัวหน้าชั่วคราวผู้โดยการชั่วคราวหรอขออะไรเปนชั่วคราวทั้งนั้นชั่วคราวเนี่ยไม่ใช่ชั่ว เข้าใจไหมชั่วคราวเขา้าใจใช่ไหมโยมเขา้าใจคำว่าชั่วคราวไหมแต่ว่ามันไม่ได้ถาวรอะไรหรอกแต่ในขณะที่เราเราเราทำหน้าที่นั้นๆน่นนะมันมีส่วนหนึ่งนะที่มันไม่ชั่วคราวนะัคือการทําดีและทําชัว่วในการทําหน้าที่นั้นนั้นไอเนี้ยถ้าความดีที่มันปักลงไปในขณะทําหน้าที่ กายสุจริตวาจาสุจริตหรือมโ น, โนหรือทางด้านสภาพจิตใจที่เราทําในสิ่งที่ดีไอ้ความดีตรงนั้นมันจะเป็นตัวกายสุจริญวจีสุดจริตมโนสุดเจริญความดีงานที่ทําเข้าไปมันจะเป็นตัวกุศลกรรมมันจะตามส่งเสริมกระแสะชีวิตในทุกอธภาพแต่ถ้าความไม่ดีที่มันฝังปักลงไปในขณะที่เราทําหน้าที่ มันจะเป็นบาด ท, ทุกจริญออกสุรธรรมันชั่วร้ายทั้งหลายมันจะตามเบียดเบียนกระแสชีวิตในทุกอัตภาพอันนี้ไม่ชั่วคาวนี้ท่าวร์มองเห็นหรือยังมันมีชั่วคาวกับไอ้ท่าวร์อยู่แล้วมันเปลี่ยนกาศาสตร์ได้ที่ไหนล่อะอายกตัวอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยย้อมกโกรธลูกน้องเครียดแล้วกโกรธมากแล้วก็เป็นวาจาชั่วร้ายออกไปด่าว่าเสียหายเลย วัจจีทุจริตมโนทุจริตหรือทางด้านกายทุจริตไปตบไปตีเขาเนี่ยไอ้ทุจริตที่ทำลงไปแล้วไม่ใช่ย่ ว, ยวาข่าวแล้วตรรมตรงนั้นเน่ยมันจะตามแหละมันฝังอยู่ในใจนะเป็นสภาพจิตที่มีของเสียเต็มไปหมดเลยจิตที่ไม่สะอาดจิตที่มีทุกจิตที่เกิดความเครียดความกัดกรุมันแล้วให้ผลที่จิตใจทแล้วบุคลิกภาพสีหน้าแววตาบุคลิกภาพออกมามันจะอ่อนโยนหรือทะนถึง เราเป็นที่ออกมา เ, เสียสองอย่างแล้วนะเนียหนึ่งสภาพจิตใจสองบุคลิกภาพนะเข้าแต่เนี้ยผลตามมานะถ้าอยู่ในสถานที่ที่เขารังเกียดคนกลุ่มนี้ก็โดนนินทาวา่าร้ายเสื่อมราบเสื่มยศโดนนินทาประสบควทุกข์โดระดับที่สาตามมาแล้วระดับที่สพ่อแม่ลูกใครเนี่ยพ่อใครเนี่ยหุไปเงยเนี่ยพ่อแม่ปู่ตายายหญ่ๆโดนกันไปแถวเลยเนี่ยสี่ระดับเลยเนี่ย นี่ไงมันก็ตามเบียดเบียนตลอดและในทางตรงกันข้ามถ้าเราสา ม, มารถทำสิ่งที่ดีใช่ไหมเวลาเราเจอปัญหาเจออุปสรรคหรือเกี่ยวข้องกับใครก็แล้วแตเ่เรามีสภาพจิตที่ดีจิตจะมีคุณลักษณะสามประการใช่ไหมหนึ่งคุณภาพสองสมรรถภาพ 3ความสุขถ้าใครสร้างได้3มลักษณะนี้สุขจริงเลยนะเนี่ยพวกเราเป็นคนมีจิตมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพถ้าจิตไม่มีคุณภาพก็คือว่าเครียดโกรธ<ส>่วิตกกังวลงอยเหงาซ้อส้อยไอตัวเนี้ยอันนี้ก็ไม่มีคุณภาพถ้าไม่มีสมรรภาพก็คืออ่อนแอท้อแท้ ไม่ไดก้กล้าใช่ไหมนี่นะแล้วก็ไม่มีความสุขก็คือว่าวิตกกังวลทุกข์ตลอดอยาได้มีคุณภาพก็คือมีเมตตายไม่ป็นคนมีเมตตาหรือไม่มีเมตตามีไหมยอมก็าลังมีไหมพยาบาลข้างหลังมีเมตตาไหมเวลาเจ้าหน้าคนไข้เป็นไงเวลาคนไข้เขาป่วยมาหนักๆแล้วคนเมตตาหรือคนกรุญาเขาคเมตตาหรือกตัญา แสดงวกาเราแยกโควิดหนากับเมตตาไม่มออกนะเงี้หรือความมุทิตามีคนคนหนึ่งเงี้ยเป็นพระที่มะบวดใหม่แล้วไปเยี่ยมโยมโยมป่วยหนักที่โรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมพอไปถึงปร๊บโอ้เจริญพรโยมขอแสดงมุทิตากับโยมด้วยนะแสดงพระท่าใช้คำพูดผิดหรือถูกจริงๆควรทำยังไงควรพูดยังไงเวลาไปเยี่ยมคนป่วย จรนะในขณะที่เขาป่วยเนี่ยเราควรไปเมตตาเขาหรือควรกรุณาเขาหรือควรบุิตาเขาเพราะอะไรเมตตาบารักปรารถนาดีเลื่อทอนในอย่างที่ก็ปกติตอนนี้ก็ปกติหรือผิดปกติางานผิดที่นีเขาใช้ใช้อะไรใช้กรุณาสงสารคิดจะช่วยเขาพ้นทุกกรุณาเนี่ยมีกรุณาเนในขณะที่เราเห็นคนประสบความทุกเนี่ย ตอนนั้นใจเราทุกข์ด้ไหมทุกข์หรือไม่ทุกข์พยาบาลทุกข์เ่จคนไข้ป่วยอย่างๆไอ้ทุกข์หมทุกข์หรือไม่ทุกข์ไอ้ทุกข์อย่างนั้นชื่อกรุณาใช่หมเพราะงั้นเดนาตาถึงเครียกันแบบนี้จริงกรุณาน่ไม่ใช่ใจเราเป็นทุกข์กรุณาน่ใจเราเป็นโศกไม่ใช่สุขที่เห็นก็ทุกข์สุขที่ได้ขวนขวายในการที่จะช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อแผ่ที่จะแบ่งเบาความทุกของเขาในการขนขวายช่วยเหลือแต่ใจน่ะมีความโศกเ ข, ขาใหญ่ยังวเวลาไม่เนี่ยป่วยเนี่ยเราต้องกรุณาใช่ไหมแต่ในขนาดเดียวกันแล้วเราร้องมาไห้ด้วยเนี่ยอันนั้นเป็นกรุณาไหมเขาเรียกทบ น, นะมันเป็นกรุณาเทียมยเยตอนนี้จริงๆล้วต้มต มาเคลียประเด็นตรงนี้ใหม่หมดเลยนะเนี่ยเวลาเจอหัวหน้าเดินจะไปแล้วหกล้มตูมตาน่าตาตาเราควรจะเมตตากรุณาหรือพุทิตาสมนําหน้าเลยใครไม่เล่นนี่ยคนแช่งไว้ไม่มีผิดเลยล้มตาน่าตาตาแบบนี่ได้เปล่าเราเป็นคนประเภทไหน เห็นคนอื่นได้ดีเห็นคนอื่นประสบเห็นคนอื่นเรามีความสมุขไหมเวลาเห็นคนอื่นเขาประสบความทุกข์ไหมไม่เป็นใช่ไหมสแสดงว่าเออีปลอดภัยทั้มาที่ตรงนี้ทั้งนั้นพาเดินหกล้มเราก็ไม่หอรอ น, นยอยู่โบฟาหกล้มก็เหมือนในที่บอกว่ายมเดินเดินไปแล้วที่มันลื่นแล้วยมล้ม แล้วก็ล อ, อาพราะช่วยพระอยู่ตัวเลขใจก็เพระก็ช่วยไม่ได้แล้เมื่อวานอาจามาก็ลมตรงนี้โยงเล ย, ยอะไรแบบคนละเรื่องาอาจจะย์ตรงนี้ก่อนก็คือว่ายอมแย่งให้ออกนะสรุปแล้วเนี่ยเมตตาใช้ในวารที่ปกติสถ า, านการณ์ปกติถ้าการุณาใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติคือเขาแย่ลง ธรรมุนิตาใช้ในสถานที่ปกติเหมือนกันในแนวนที่เขาประสบความสำเร็จดีดแต่ถ้าอุเบกขาใช้ในสถานการณ์ไหนพวกเราใช้บ่อยไหมอุเบกขานีคนไข้ร้องโอ้ยโอยมาก็สัตโลกเป็นไปตามกลาคิดไหมคิดว่าใช่ไหมอุเบกขาใช้บ่อยไห้แบบนี้ใครทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วเขต้องรับผลของกรรมเรื่องเองฉันไม่เกี่ยว คิดบ่อยไห เ, เราก็จริงๆแล้ววลกนั้นต้องใช้อะไรคารุณาารุนานี่แสดงออกมาทางกายได้ไหมขนขวายในการช่วยเหลือแสดงออกมาทางวาจาได้ไหมทำยังไงเป็นอะไรมายายอย่างนี้เป็นกรุนาไหผู้เสียงแข็งๆวันนี้เป็นไม่เป็นเป็นอะไรมา พูดจากับเขาให้พอบอกว่าเออถ้่เขาร้องมาเราพูดว่าเออยายเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูแลอะไรเนี้ยนะกรณีแบบเนี้ยแล้วในขณะที่เราได้ตรุณายให้ความสุขมันเกิดขึ้นมันสุขตรงที่ได้ขนขวายได้ช่วยเต็มที่เต็มสมรรถภาพเต็มความสามารถแม้สถานการณ์คนป่วยจะแย่ลงแค่ไหนตนนัวเองก็ได้ทําเต็มที่หลังจากเขาตายไปแล้วตามเหตุผลของกรรมผลน้องกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราก็มีความสุขว่าเราได้ช่วยเต็มที่ แห้ความสุขมันเกิดตรงนี้ไม่ใช่ว่าช่วยเขาไม่ได้ก็มานั่งรองไห้ไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่การุณาแท้แล้วโดยส่วนใหญ่เนะี่ยเราจะเป็นกันแบบเนี้ยเป็นการุณาที่มันเทียมกันอยู่อย่า ง, งเงี้ยท่องร้อง่างนไหมงมี่มาจะพูดประเด็นไหนเนี่ยประเด็นเรื่องของความว่าไอ้ความสุขกรณีแห่าการที่บอกว่าคนขวายช่วยเหลือที่ยกตัวอย่างมาสักครู เชื่อเห็นว่าจริงๆแล้วคนขนาดว่าเขามีเขาเชื่อเรื่องเทพเจ้าดลบรรดาลเขาเขายังสามารถพลิกสถานการณ์ให้เกิดความสุขได้แม้อยู่ในสถานการณ์หน้าซีดหน้าขวานแบบนั้นแล้วพวกเราล่ะเป็นพุทธบริษัทด้วยเนี่ยนะเป็นชาวพุทธด้วยเวลาเจอสถานการณ์ที่เราเจอปัญหาและเจออุปสรรคเนี่ยแต่ทําไมเรากลับไม่สามารถมีความสุขได้มันจบตรงไหนถ้าในทางพุทธศาสนา ความเชื่อเนี่ยนะที่เรียกว่าความเชื่อมั่นที่อย่างรากลึกสู่ปัญญาใช่หไหมมันสุขตรงที่ว่าได้ปัญญาได้รู้ได้เข้าใจนี่แหละอย่างข้อนี้ที่บอกว่าการประกอบปัญญาในเครื่องสอบสวนตรวจตารู้จักวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นนั้นสามารถทำได้สามารถจัดการสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างดีแล้วก็ได้อย่างทันท่วงทีเป็นต้นด้วยไอ้กรณีอย่างนี้มีความสุขตรงนี้นี้เป็นต้น นั้นสรุปตรงนี้ก็คือชี้เห็นว่าย้อนกลับไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยที่บอกว่าสุขเกิดแต่การมีทรัพย์แล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือสุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์ระหว่างทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความหมันด้วยแรแำรวด้วยกําลังด้วยกำลังแขนได้มาด้วยชอบทาเป็นของชอบทำํำมาได้ทรัพย์แล้วมีความสุขใช่ไหม นิสุกระดับที่หนึ่งแล้วระดับที่สองการได้จ่ายทรัพย์คือทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วยความหมั่นนิริวแรงด้วยสติปัญญาสัพยาภาพความรู้ความสามารถแต่แล้วเนี่ยได้มาโดยธรรมะเป็นของชอบทำเนี่ยก็ได้ความสุขว่าสมนัตว่าทรัพย์ที่เราได้มามีความสุขเราได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วเราไดกินได้ใช้ได้ทําสิ่งที่ดีงามใช้ทรัพย์นั้นดูแลตนเองให่มีความสุขดูแลบุตรหลานญาติมิตรเพื่อน มีความสุขและใช้ทรัพย์นั้นทําความดีมีความสุขไหมข้อหนึ่งข้อสองอันไหนสุขกว่ากันอันไหนสุขมากกว่ากันตอนใช้กับตอนไปทํามาไปขนขวายได้มาแต่ก่อนอันได้ไปใช้ทรัพย์อันไหนมีความสุขมากกว่ากันในใช้ใช้ไมมีความสุขกะไรเลยตอนไปได้มาก็มีนะมีไม่มีถามจริงเคยมีความสุขหรือการหาทรัพย์มาแล้วมัน แ้วชื่นใจในที่ตนเองทําสิ่งที่ดีๆมาแล้วมีความสุขไหมมีไหมพอ่อซับมาให้ลูกมีความสุขห้ตอนนั้นน่ะให้ภรรยามีความสุขไหมให้ภรรยาหลวง <c oughs> ให้ภรรยาน้อยอันไหนมีความสุขมากกว่ากันอันไหนมีความสุขมากกว่ากันเออสมมติว่าไม่มีก็แล้วกันให้ภรรยามีความสุขไหมให้ลูกให้พ่อแม่ใช่ไหม ที่จริงนี่คือการเอามาดูแลตนเองด้วยดูแลบุตรหลานญาติมิตรพวกพ้องเป็นต้นให้มีความสุขแล้วก็ใช้ทรัพย์ทําความดีอันไหนอ่ะหนึ่งดูแลตนเองสองดูแลบุคคลอื่นทุกคนเลยนะที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วก็ใช้ทรัพย์ทําความดีสามประการนี่ในสุขเรากันทั้งสามอย่างเลยใช่ไหเนี่เราไปสังเกต ด, ดูไปพิจารณาดูนะเราจะได้ความสุขจากชีวิตการทํางานเนี่ย เราสุขตอนไหนสุขตอนได้เงนรสุขตอนทำงานต้องได้งนก่อนถึงจะสุขเราสามารถทำงานและเชื่อมประสานกับความสุขทุกขนาดได้หรื อ, อยังหรื อ, อยังไม่ได้ทำยังไงถึงจะได้ทำยังไงจะได้ิดยังไงถึงจะได้ความสุขในขณะทำงานคิดอย่างนี้ได้ไหมยามีงานก็ใช้แต่เรา คามยศตำแหน่งไม่เคยพิจารณาถึงเราเลยอากีี้จะมีความสุขไหมยามยามยามงานก็ใช้ยามไข้ก็ไม่รักษามีความสุขไหม่แบบนี้เกิดมาเป็นเรามันแย่จริงไอ้เจ้าเราเป็นคนระหว่างปงแต่งความสุขกับปงแต่งความทุก เราฉลาดในเรื่องไหนมากกว่านั้นชำนาญนะชำนาญนะระหว่างปรุงแต่งสุขกับปรุงแต่งทุกข์อะไรอไรจเก่งกว่ากันเวลามีคนด่าเราแล้วเรามาปรุงแต่งความทุกข์ความเครียดความรุ้สนะึกจะเก่งไหมมีความสามารถสูงไหมในเรื่องนี้มนุษย์เนี่ยมีศักยาภาพและใช้ศักยาภาพในทางนี้มากจริงสังเกตตัวอิ้วรอยบนใบหน้า เวลาเจอปัญหาเจนอุปสรรคบางทีไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่มาปรุงแต่งซ้ำเติมเลียดเบียนตัวเองประทุษรายตัวเองได้อย่างมากมากจริงๆนะบางคนมากขนาดเดินขึ้นชั้นหชั้นเจ็ด่าตัวตายโดดน้ําตายเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมกินยาพิษตายบางขวานกอตายเยอะเหมือนเลยเนีย่ยปรุงแต่งได้ขนาดนั้นซึ่งศัยภาพในทางนี้ของมนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ที่พิเศษสัตว์เดรัจฉานทําไม่ได้ เคยได้ยินข่าวไหมว่าสุนัขตัวเมียสุนัขตัวผู้มันทะเลาะ ก, กันสุนัขตัวเมียโกรธสามีวิ่งไปที่สะพานโดดน้ําตายเออเคยเคยได้ยินข่าวนี่ไหเคยได้ยินข่าวไหมสแสดงว่าศักยภาพในการปรุงแต่งทุกของมันต่ำใช่ไหมต่ำมากถ้าขนาดนั้นเรายังไปทําหมันมันเลยใช่ไหมลองเ ข, เขาประกาศว่าจะจับสุนัขทําหมัน เขารู้เขาก็ไม่ทุกข์มากก็เลยเนี่ยจริงๆแล้วปริมาณไปปรงแต่งถ้าเขาถูกทําหมันทั้งทั้าไม่ตาไม่ไม่เต็มใจนี่นะเขาไปนั่งเพี้ยฉันอยู่ไม่ได้ในชีวิตชาตินี้ถูกทำหมันทั้งกูไม่อยากกระทําเลยแล้วมันไปฆ่าสัวตายนี้นะแต่ถ้าคนเนี่ยโยโย่เนี่ยไม่อยากทําหมันแล้วจับไม่ทําหมันหมดคิดว่าจะมีคนฆ่าสัวตายนะไม่เหลือในเนี่ยโรงพยาบาลนี่ต้องมีใครถ้าคนต้องไปฆ่าสไตายโดนคาบจับทําหมันนี่ จำไว้แ่ะแค่มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่พิเศษปุ้งแต่งทุกได้เก่งแต่ในทางตรงกันข้ามปุ้งแต่งสุขไม่ค่อยเป็นเราเคยพอบอกวันนี้ยถ้าจะมาเทียเมื่อคืนเนี่ยนอนแทบไม่หลับปุ้งแต่งสุขทั้งคืนเลยเมื่ อ, อไร ก, ก, กันเคยไหมคิดขนาดนั้นไหม โอ้โหวันนี้เราคงได้ฟังสิ่งดีๆเป็นประโยชน์ในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้ น, ต น, ตนมาสี่ห้ารอบไม่สว่างกอทีเมื่อไรจะถึงเวลา่อยคย่อยปรุงแต่งขนาดนั้นไหมลึกเครียดเลยเห็นไหมวาศัยภาพของพวกเราในการปรุงแต่งสุขไม่ค่อยเป็นแต่ว่ามันมันไปเสียตรงไหนเนี่ยเสียตรงที่อะไรรู้มเราไม่ มันต้องขยันไม่ประมาทไม่ฉลาดจัด ก, การขาดความฉลาดในกจัดการถามว่าเวลาเวลานึกถึงวันวันที่แฟนบอกรักเราวันแรกก่อนที่เราจะเผอตัวเผอใจไปแต่งงานกับเขาอ่ะยังสุขใจอยู่ไหมคิดไปวัา ย, ยังมีความสุขอยู่นะคิดแล้วเครือ ม, มีความสุขไหมมีไหม แล้คิดไม่ลงนะเห็นอะไรมาปุงแต่งไม่เป็นปุงแต่งรูขไม่เป็นเราเคยทำอะไรที่ตีไว้บ้างเราก็รู้สึกว่าคิดในใจตื่นเต้นน้ําตาไหลปีตีแล้วมีความสุขจริงๆเลย ม, ะมะีบ้างไหมเยอะกับการคิดเยอะแล้วเครียดเนี่ยมีเยอะไหมะโอ้โหศักยภาพเราใช้ทันเราใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถของเราเป็นทางที่ผิดในแบบนี้ กลับเนื้อกับตัวกันได้ยังตอนเนี้ยตอนนี้รู้สึกเราจะมันตหนึกไปในมุมในมุมปูงแต่ทุกเนี่มากเกินไปแล้วใช่ไหมพอจะยักยั้งทันไหมทันไม่ทันเนี่ยพอจะกลับเนื้อกับตัวทันไหมเนี่ยหรือว่ามันเลยคงแล้วบอกแก้ไม่ได้แล้วยังแกได้อยู่ไหมได้ไม่ได้จะทํายังไงวิธีไดได้ที่บอกว่าไายไหนรู้วิธีหรือยัง ถ้าไม่รู้ใจรีบถามพระเดี๋ยวเราพระก็จกลับแล้ว <c oughs> ตกลงได้วิธียางเอาเรื่องไหนก่อนดีกว่าเราเครียดกับเรื่องสามีบน่นเราบ่นสามีลูกบ่นล้วบ่นลูกเครียดกับมาที่โรงพยาบาลแล้วทุกในเรื่องงานในเรื่องของการอยู่กับเพื่อนแล้ออยู่กับเพื่อนร่วมงานแล้วแคอยู่พุ บัณฑิตหรืพธพระจตรบัณฑิตเรื่องไหนที่เป็นปัญหาชีวิตเรามากที่สุดเอาไว้ตอนท้ายได้ไหมตอนนี้ว่าจะคิดยังไงดีไหมหรือหรือตอนนี้เลยสรุปแล้วก็เกี่ยวว่าความทุกเนี่ยการที่เราปรุงแต่งทุกข์ได้เก่งเนี่ยเพราะเราตั้งหลักไม่ถูกเราต้องใช้ศักยภาพเราให้ให้มาถูกที่ถูกทาง เมื่อเรามีศักยภาพในการปุงแต่งทุกได้จนเรากลายเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ก็ต้องมีศักยภาพในการปุงแต่งความสุขให้มีความดันน่ได้สมดุลภาพได้จริงไหมมันต้องจะบะลานกันทีนี้ให้สังเกต ด, ดูที่ว่าคนที่จะเดิลอารมณ์ตนเองให้เครียดได้เนี่ยสแสดงว่าคนคนนั้นจะต้องคิดให้มันเกินจริงให้มากที่สุด เช่นเวลาสามีออกจากบ้านต้องปรุงแต่งให้มากว่าแสดงมันเป็นนักไขไว้แน่นอนมันต้องไปกินอาหารร้านนั้นเนี่ยมีคนโทรบอกในสารภาพมันจะต้องปรุงแต่งคงตละเล ย, เลยต้องไปทําอะไรกันแน่นอนมันต้องปรุงแต่งอย่างมากมายชนี้ที่มันเกิดจริงเอาไว้เห็นไหมถ้าปรุงแต่งในลักษณะ น, นี้ความเครียดความกลุ่มความทุกมันจะไหลมาเลยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอุ่มอะไรรู้ไหม บียบีนตัวเองกระตุ้ร้ายตัวเองเนี่ยถ้าพูอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกกลุ่มซาบิชชอบกัดตัวเองชกต่อยตัวเองหยิกตัวเองถ้าเราถ้าตื่นขึ้นมานะหรือถ้าเราเดินไปมีคนคนหนึ่งลกไปนอนติ้นกัตตดตัวเองบ้างชกตัวเองบ้างหยิกตัวเองบ้างเราเห็นคนคนนี้แล้วเราจะมีความรู้สึกยังไงเราจะกระดุนคำนั้อยู่รู้แล้วมาคำเลือกป่า แ, วว า, า, มมาแล้วประเด็นก็คือว่า เราจะกรุณาเขาหรือย่างไรที่จะถามเนี่ยเราจะกรุณาเขาหรือหรือหรือสมน น, นาเขากระตุณาไหมแล้วหน้ากรุณามากไหมมากหรือไม่มากถ้าเห็นว่าเขากําลังกัดลิ้นตัวเองทุกต่อยตัวเองตกหน้าตัวเองคือกปัสสาวะตัวเองตลอดเวลานอนบิ้นใบไม้อย่ายยงเงี้ยเราเห็นแล้วเรากรุณาไหมมากหรือไม่มากเนีในทางตรงกันข้าม คนที่คิดแลบวเบียดเบียนตัวเองเ่ยใช้ความคิดต่อยตัวเองตบตัวเองแล้วก็ประทุษร้าตัวเองคนบางคนไปโดนกระทําเนี่ยผู้หญิงบางคนดนกระทำเพียงครั้งเดียวเนี่ยแต่ปุ้งแต่งเบียดเบียนตัวเองเป็นพันครัง้งล้านครัง้งกลายเป็นคนเสียจริตไปเลยเห็นไหมเนี่ยที่เขาทําตัวเองเพียงครั้งเดียวเนี่ยผู้ชายบางคนก็เป็นบอกเป็นไงทุกเป็นอย่างนี้ยเขาก็ผิดหวังเพราะเลยแฟนไม่มีคนใหม่ เขาเข้ามาประทุษสลายตัวเองกลายเป็นคนเสียคนเสียหายไปเลยก็ไม่ต่างจากคนคนนั้นเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าเขาปรุงแต่งเกินจริงปรุงแต่งทุกเกินจริงแล้วก็มีทัศนกติที่เขาเรียกว่าร่องที่เขาเรียกว่าร่องลึกแข็งคือ ควาฝังองความคิดเป็นแข็งมันจะต้องอย่างนี้เท่านั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้วิธีการคิดในลักษาอย่นี้นี่เขาเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองพวกเราเป็นไหมแบบนี้เป็นไหมชอบเบียดเปียนตัวเองเป็นไหมเป็นเป็นเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่ลองหรือเปลัายังโดดออกจากรอกได้ไหมพอได เนี่ยตรงนี้ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองตรงนี้นะนี่ยเราก็จะเล่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าสุขหรือทุกเนี่ยเป็นอยู่เรื่องการปรุงแต่งปรุงแต่งซ้อนเสริมขึ้นมาทั้งนั้นแง่คนที่จะทําสมาธิก็คือปรุงแต่งจิตให้เกิดความสุขทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของเห็นสังเกตเลว่าจากนั้นเราใช้ความสามารถผิดนั่นเองมนุษย์มีศักยภาพมีความสามารถแต่เพียงว่าอยากใช้ไปในทางที่ผิด แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ในทางที่ถูกเราโหเราจะเป็นคนที่มีศักยภาพมากเหมือนเราคิดกรธใครสักคนนึงท่นเกศคือถูก โ, โหคิดอย่างวิจิตมากเลยถ้าเราเปลี่ยนใครสักคนยังหึงคิดไอคนนี้มันดา่าเรานึกแล้วเนี่ยมันจะต้องโอ้โหปรุงแต่งเป็นหนูเป็นชอบเป็นเรื่องหาแต่งเป็นเรื่องแต่งหนังสือได้หลายเล่มเลยอใช่ใช<ะ>ไหมจริงไหมเจนตรงนี้แหละเขาเรียกว่าใช้ศักยภาพผิดเป็นคนชอบปรุงแต่งทุก แทนที่จปรุงแต่งสุขแล้วคนประเภทนี้จะมีความสุขในการทํางานได้อย่างไรท้องจะต้อมั น, ม, นมันปรงแต่งสุขไม่เป็นปรุงแต่งสิ่งที่ดีไม่เป็นแล้วชํานาญแต่การปรุงแต่งนีเชิงลบปฏิกิริยาเชิงลบเก็มมาแต่เชิงบวกคิดไม่ออกคิดไปได้นิดเดียวเองขนาดพานะนำให้เองรักให้สมาทานศีลนนไปไม่เป็นเลยนะพราะพาเริ่มปานาะธิปาตาวเวนเท้อไม่จบมันหลับก่อนแล้ว เพาะจะปุงแต่ทางทางีด่ดีก็ไม่ไปแต่ถ้าทาไม่ดีนีโหไปเป็นแถวเป็นแนวเลยมองเห็นหรือยังงั้นสุขเกิดแต่การมีทรัพย์สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสรุปแล้วก็คือว่าได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยมีความสุขเอาทรัพย์มาดูแลตัวเองสําคัญไหมให้ตัวเองได้รับความสุขให้เต็มที่เต็มเต็มเต็มความศักยภาพที่เราควรจะให้ความสุข ไม่ใช่สุขแบบเสียดนะสุขแต่การได้ดูแลตนเองดูแลสุขภาพร่างกายตนเองมีทรัพย์ก็อาทรัพย์มาดูแลสุขภาพร่างกายมีทรัพย์มาแล้วก็อาทรัพย์นั้นมามาขยายงานการทั้งหลายเหล่านี้มันเจริญรลุ่มเลยมีทรัพย์มาแล้วก็มาทําให้ได้มามาทําให้ตนเองมีครอบครัวอยู่เย็นเพลินสุขจจ่จายใช้สอยยังไงดูแลพ่อแม่ปู่ตายายๆแล้วก็ใช้ทรัพย์ทําความดีโอ้มีความสุขทุกขั้นตอนเลยไนะ้ไหม แต่ได้หาแสวงหาทรัพย์ก็มีความสุขในการควนขวายได้ทรักมาแล้วก็ยังมีความสุขจากการกินใช้และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งายเป็นต้นประการที่สามก็คือสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้ไถ่อันนี้มีความสุขไหมไม่ติดหนี้สิ่นลายของไถ่ไม่ว่าน้อยหรือมากแต่ทุกวันเนี่ยเขาชอบรอมีสิ่งรอทําให้เราเป็นหนี้ถ้าเป็นธราชาตานก็เอาแล้วอะไรย่นี้ <c oughs> ใช่ไหมล่ะ มีสิทธิ์ที่เยอะมดเลยผ่อนบ้านผ่อนรถก่อนอะไรอ่ะโทรศัพท์พัดลมตู้เย็นโอ้โหไปมือถือผ่ <c oughs> อนไหมเยอะหมดเลยใช่ไหมแล้วก็บัตรเครดิตนี่ก็เราก็ไม่ได้ความสุขเนเป็นนี่ใช่ไหมที่จริงเนี่ยถ้าฉลาดเขาบอกว่า มีสระน้ําสระหนึ่งมีทางไหลเข้าสี่ทางมีทางไหลออกสี่ทางถ้าคนไม่ฉลาดก็ปิดทางไหลเข้าเปิดทางไหลออกฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลสระน้นหมดหมดไหมไม่เหลือแตถ้าฉลาดก็ปิดทางไหลออกเปิดทางไหลเข้าฝนตกต้องตามฤดูกาลโอ้น้ําก็เต็มได้กินได้ใช้ เดี๋ยวพระพูดเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการอยากรู้การบริหารจัดการเรื่องการเงินเชิงพุทธไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ใช่ไหมก็ดูที่พวกเราจะทําตามที่พระเจ้าบอกหรือเปล่าต้อใส่ไม่ได้สักคนเลยนิดนีไ่ได้จะมีสักคนไม่ได้ใช่นั่น ก, ก็คือว่าซัตที่หามาได้แล้วเนี่ยเขาแบ่งเป็กี่ส่วนสี่ส่วนอะไรบ้างเนี่ยทำไมพูดได้ถูกได้ไงแปล แบ่งเป็นสี่ส่วนถูกต้องแล้วส่วนที่หนึ่งนี่หละได้4ส่วนส่วนที่หนึงก็ตองไปดูแลตัวเองบุตรหลานญาติมิเป็นต้นตลอดทั้งใช้ทรัความวาม่าคือได้มาสมมติร้อยร้อยหนึ่งเนี่ยก็ 25. คือถ้า100ย็นตดานูแลตัวเองบุตรหลานญาติมิตใช้ทรัพย์ในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำความดีทั้งหลายเป็นต้นส่วน 50% 5, 25บอร์ซตยี่้าย้งกลาง ใช้ลงทุนเอาไปลงทุนในกิจการต่างๆอะไรก็ว่าไปเศรษฐี 5% เก็บไว้เป็นหลักประกันชีวิตยามเจ็บป่วยไข้อะไรว่าไปทำไมต้องทำแบบนี้อันนี้พูดคร่าวๆก่อนนะไม่สามารถเจาะลงในรายละเอียดได้เพราะเวลาจำกัดคือทำไมไปลงทุนตั้ง 50% เพราะว่าต้องการอยากจะให้ซับ ที่หามาได้เนี่ ย, เ ป, ปยเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แกัตนเองและบุคคลอื่นเมื่อทุกคนเนี่ยใช้ทรัพย์เหล่านี้เอามาหมุนกิจการได้ๆก็แล้วแต่มีการผักดันให้มีกิจการเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกิจการของการเรื่องอาหารก็ดีเรื่องที่อยู่อาศัยก็ดีเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็ดีเรื่องยาก็ดีตลอดถึงเรื่องการทํากิจกรรมดีๆทั้งหลายในหมู่บ้านในชุมชนในประเทศนั้นเนี่ยมันจะมีกําลังทรัพย์เหล่านี้เข้าไปหมุนเวียน การถักดันทําให้กิจการต่างๆ น, นั้นเจริญรุ่งเรืองนี่เขาต้องวางหลักไวอย่างนั้นควรใงวางหลักไว้อย่างนั้นไม่ใช่เอาไปแช่ทิ้งเอาไว้เนี่ยจะมีทรัพย์แล้วไม่ใช้เ่ยไม่ลงทุนเนี่ยพระเจ้าเป็นความชั่วยอย่างหนึง่งเป็นความเสียหายด้วยโว่าเสียเลยนะพระเจ้ า, า ว, ว่าไม่ใช่อัตมาว่าอัตมาเล้ปลอดภัยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหยี่สิ้าปซ็นต์เนี่ยกินใช้ ทำประโยชน์ว่าไปไอสองส่วนเนี่ยทำประโยชน์ลงตุวแล้วก็อีก 25% ก็เก็บไว้เป็นหลักประกันของชีวิตถ้าทำลักษณะนี้คือหลักเชิงพุทธพุทธิยาสอนแบบนี้แต่เราไม่ได้เรียนกันมาตั้งแต่เป็นเด็กไปเสียเลยตรนเนี้ยใช่ไหมโดยเฉพาะข้อสเนี่ยเป็นหนี้กันเต็มไปหมดเลยแล้วทำยังไงกลับเนี่ยกับตัวทันไมเนี่ยทันไม่ทันใครทันบ้างยกมือเจอ พอทันนะไม่เป็นนี่ใครใช่ไหมนิดเดียวเหนียวนี่ไหมไม่เหนียวใชอา้าสรุปแล้วก็เกิดเกิดสุกแต่การมีทรัพย์สองสุกแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสามสุขเกิดจากการไม่เป็นนี่ใครแล้วข้อสุดท้ายอนวัชสุกสุขเกิดจากการประพฤต หรือปฏิบติการงานที่ไร้โทษก็คือทํากิจกรรมอ่ะกิจกรรมของชีวิตอวันหนึ่งเรามีกิจกรรมของชีวิตเยอะไหมเวลาเราก็ทํางานที่โรงพยาบาลวันละกี่ชั่วโมงยังตาม8ชั่วโมงใช่ไหมวันนึงมีทั้งหมดกี่ชั่วโมงส่วนใหญ่เลี้ยงให้เราอยู่กับ ง, งานนะส่วนใหญ่ของชีวิตกินหัวไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็เกินครึ่งนนะึ สรุปแล้วก็คประมาณ8ชั่วโมงจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมของชีวิตมีเฉพาะมาทำงานที่โรงพยาบาลไหมแต่เราอรียกงานไหมเข้าห้องน้ําเรียกงานไห ม, เ, นน เ, รไหมเรียกไม่เรียกพวกเราเรียกว่าเป็นการทํางานไหมฉันจะเข้าทํางานในห้องน้ําเรียกแบบนี้ไหมแต่จริงๆเรียก ว, ว่ากิจกรรมของชีวิตได้ไหมอันเดียวกันนั่นแหละจริงๆก็คืออันเดียวกันงานของชีวิตกิจกรรมของชีวิตก้ตาวไปถอยกลับ มันก็กิจกรรมของชีวิตนะแล่ตงแล่เหลียวแล่เป็นตรงข้างหน้าแลเหลียวก็ได้แลขึ้นแลลงได้หมดเลยคู่ข้าวเยยดออกมีอะไรบ้างที่จะคู่ข้าวเยยดออกได้บ un, a, ้างก็แขนขาไลยก็ว่าไปเนี่ยคอได้ไหมไม่ใช่เต่ามาพูดเลยเป็นนิดงก็คือว่าคู่ข้าวเยยดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มไม่เหมือนกันนะกินดื่ม เขี้ยวตกแป้งตกเลยลิ้มก็พอกดไอซ์ครีมนึกว่าแบบทายอุจ ร, ประปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่นี่กิจกรรมของชีวิตทั้งนั้นแหละฉะนั้นงานของชีวิตหรือกิจกรรมของชีวิตน่ยมนุษย์น่ยถ้าไม่ตายต้องทําตลอดแต่เราไปบัญญัติกันบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้ทํางานแล้วก็เห็นเดินงอวอ ก, อ, กอยู่นี่นไม่ทําได้ไง ยังปักกว่าเช็ดถูยังทํากิจกรรมเพียงว่ากิจกรรมของชีวิตเนี่ยเปลี่ยนจากมาทําที่โรงพยาบาลหรือจะไปทําที่บ้านแต่กิจกรรมของชีวิตไม่เคยหยุดเลยในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เรียกว่าการงานที่ทํำด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างและถูกผลัก ด, ดันขับเคลื่อนด้วยใจสรุปแล้วก็มีแค่สามทางนี่แหละมโนกรรมก้วใจกายกรรมก็คือออกมาทําพฤติกรรมทางกายวาจีกรรมก็ทาพูด ในสามทางเนี่ยกรรมกลุ่มไหนที่มีมีผลมากการกระทำทางไหนทางกายทางวาจาทางใจที่มีผลใหญ่หลวงทางใจใช่ไหมคิดด่าคนอื่นกับพูดด่าคนอื่นเนี่ยไหนกรรมหนักกว่ากันอันไหนอันไหน อันไหนติดคุกอันไหนติดคุก <S <S <S ในใจก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไงแต่จริงๆแล้วที่ยอมพูดมันสกุลถูกแล้วใจเนี่ยเป็นใหญ่สิ่งทั้งหลายแบบนี้สําเร็จเติมมโนกรรมโรงพยาบาลเนี่ยสมเด็จเติมมโนกรรมชี้มาไมรู้เท่าไร่เครื่องบินก็ดีอุตสาหกรรมรสิ่งต่างๆเทคโนโลยีที่มันพัฒนาตัวเป็นจนทุกวันเนี่ยมันมาจากมนโนกรรมทานกระบวนการความคิดล้วนๆเลยเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัว จับติ๊กซอหรือหูมากมายเหลือเกินมันถึงมุดพักออกมาทางกายทางว่าใหญ่ทีหนึ่งกายกรรมวิจีกรรมเนี่ยมันมีผลน้อยแต่มโนกรรมนั้นมีผลที่ยิ่งใหญ่กว่าทั้งฝ่ายดีและไม่ดีทีนี้การประพฤติกรรมที่มีโทษกับประพฤติกรรมที่ไรโทษบางคนเนี่ยถ้าโลภโกรธและเห็นผิดมันก็พักออกมาวิจิกรรมวิตเจดีมโนกรรมวิตจริีกายกรรมพักมากายกรรมวิจิกรรมเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเรา สุขที่เกิดจากการที่ว่ากายการประพฤติทางกายก็ไม่มีโทษเลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลกักทรัพย์ไม่หลบเพื่อิดในกรรมทางวจี ก, กรรมก็ไม่พูดเพสเศส่อเสียดคําหยาบและเพื่อเจิ้งทางวานอกกรรมก็ไม่โลรไม่โกรธมีความเห็นที่ถูกต้องดีงามถามว่าคนที่มีกายก็สะอาดวิจาก็สะอาดใจก็สะอาดเนี่ย สุขการจัดจา ก, การที่มีกายกรรมก็ไล่โทษวิจิกรรมก็ไล้โทษมโนกรรมก็ไล่โทษกายก็สะอาดวาจาสะอาดและจิตใจก็สะอาดถามว่าได้ความสุขสมานัดไหมสุขสมานัดมากก็พิจารณาโอ้ทางกายเราไม่มีโทษนาะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยที่เราใช้พฤติกรรมทางกายไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็แล้วแต่ไม่มีโทษเกิดขึ้นเลยไม่เคยไปเบียดเบียนใครไปทุจร้ายใครไม่เคยทําให้ใครต้องเจ็บปวดจากกายกรรมแม้วจีกรรมคําพูด ก็พูดแต่คําที่เป็นประโยชน์พูดคําจริงคําที่เป็นประโยชน์พูดถูกการและพูดในเมตตาพูจในรุลนาวจีกรรมของเราก็ไม่มีโทษแม้สภาพจิตใจของเราก็คี่ปราเถื่อนไหนเขามีความสุขมีอายุยืนมีทรัพย์ปราเถื่อนไหนเขาประสบความสําเร็จในชีวิตกายกรรมก็ไม่มีโทษวจีกรรมมนโนกรรมก็ไม่มีโทษถามว่าอันนี้สุขมากไหมมากกว่าสุขสามอย่างที่ตามมาไหมอะไรสุขมากกว่ากันนะมีทรัพย์ สุขจากการมีทรัพย์สุขจากการจ่ายทรัพย์สุขแต่ไม่เป็นหนี้กับสุขเกิดจากการที่เรามีพฤติกรรมทางกายวาจารณ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์หมดเกิดอันไหนสุขมากกว่า น, นั้นนั้ต้องการมาสรุปให้เราเห็นว่านี่ไงสิ่งที่เราควรจะเป็นอยู่ในชีวิตจริงๆของพวกเราก็คือแต่ละวันแต่ละขณะจงทําประวัติศาสตร์ชีวิตให้ดีที่สุดแล้วมันจะภูมิใจอย่างมาก เพราะว่ามันผ่านมาแล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้เพียงว่ามันมันเปลี่ยนตั้งหลักได้ว่าเราจะทำยังไง <c oughs> เ้วเรากลับไปที่บ้านล้ว เ, เราพูดกับสามีพูดดีไพูดเพราะไหมเหมือนวันแรกที่แต่งงานเลยั้มสรุปแล้วเราควรในวันที่แต่งงานใหม่ๆกับในวันวันนี้เราควรพูดให้เพราะกว่าเดิมหรือเท่าเดิมหรือแย่กว่าเดิม จริงๆเป็นแบบนั้นไหมเราพูดจา ก, กับเขารู้สึกดีดีกว่าเดิ ม, มั้ยเล็บสามีเราพูดกับภรรยาพูดเหมือนเดิมเดิมอเอ่ยออรู้ไหมว่าเวลาเวลาความสุขของภรรยาในความทุกข์ของผู้หญิงยอมว่าผู้หญิงมีความทุกข์เดีย อยอมผู้หญิง่ที่อายุวุาการผ่านไวมากๆอายอมรูไม้ไหมว่าความทุกข์ของวายอมเนี่ยรู้ไหช่ภรรยาบอมาดยไม่ใช่ใช่ไหยอมภรรยายังอยู่ไหไม่รู้เชื่ออะไรไม่อยู่แล้วใช่ไห ม, อไมไยอมว่าผู้ยอมเป็นผู้หญิงเดียจะไม่ได้นั่งที่เนี่ยยอมรูม้มว่าความทุกข์ของเราเป็นอย่าง ผู้หญิงที่แต่งงานมีความทุกข์กี่อย่างนะอยากรู้ไหมทาไมต้องให้พ่อบอกด้วยแต่ถ้าไปบอกสามีนะ <c oughs> ผู้หญิงที่จะแต่งงานมีความทุกข์อยู่สี่ห้าอย่างหนึ่งเวลาจะแต่งงานกับใครเนี่ยฮะเขาจะมีความทุกข์กังวลเนี่ยก็คือว่าเขาต้องจากพ่อแม่ปู่ตายายยายมาอยู่กับสามี มามีครอบครัวมาสร้างครอบครัวเนี่ยมันเป็นความทุกอย่างหนึ่งนะว่าเขาจะต้องมาจากการที่เขาต้องอยู่กับครอบครัวเนี่ยแล้วเขาจะต้องมาอยู่กับผู้ชายเนี่ยเป็นความกังวลเป็นความทุกข์ข้อแรกของผู้หญิงเลยซึ่งผู้ชายไม่รู้ผู้ชายจะไม่รู้ถ้าผู้ชายฉลาดและศึกษาคําสอนมาดีจะรู้่จะรู้ว่าโอ้เนี่ยเขามีความว้าเหวเขามีความทุกเขามีความกลุ้มก็แล้วข้อที่สอง ไม่เร็วๆเลยนะผู้หญิงจะมีความทุกข์เกี่ยวเรื่องความเปลี่ยนแปลงในร่างกายถ้าเราเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็จะรู้ภาวะความเปลี่ยนแปลงเดืนละครั้งนั้นผู้หญิงอารมณ์จะสวิงมากกว่าผู้ชายสูงมากถึงแม้จะหมดเรื่องเหล่านี้แล้วก็จะมีสภาวะความผันผวนในร่างกายลังเลและสับสนเยอะ <c oughs> <c oughs> ผู้ชายก็ไม่เข้าใจมางทีก็จะบอกว่าทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมผู้ชายไม่รู้ ม, มันๆกัน ก็เขาไม่รู้ใช่ไหมเพราะไม่เคยศึกษาระคสอนก็เลยไม่รู้ผู้หญิงมีภาวะแบบนี้แต่ผู้หญิงอยากอ้างว่าภาวะแบบนี้จะจะเป็นแบบนี้แล้วเขาอยากจะเป็นมันยิงยิงขึ้นไปห้ามได้แบบเนี้ยเข้าใจไหมบางคนก็นเฮ้จะจะเป็น่างนี้ถูกต้องเลยจะจะพระวินัยบอกฉะนั้นจ ะ, จะยึดถือแล้วจะเป็นอย่างนี้ยิงยิงขึ้นไปแล้วก็เอาใหญ่เลยแก้ไขไม่ได้เลยแบบนี้นะเขาร้องลึกแข็งทื่อเลยนี่เข้าใจยังเนี่ยภาวะตัวนี้สามก็คือทกแต่การตั้งคัน เป็นคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยทกุกย่อมมีรคใช่ไหม<ด>ตอนเด็กอยู่ในท้องทุกไหมทุกกังวลไหมกังวลตอนคลอดแล้วก็ต้องเลี้ยงโอ้โหยิ่งทุกใหญ่เลยใี่ไหผู้ชายต้องฉลาดนะไม่จะอยู่กับผู้หญิงนะแต่ผู้ชายไม่รู้เรื่องก็โอ้โหมึนง ง, งเลยไม่รู้อะไรวะอะไรก็บน่นอะไรก็จุกจิกอะไรก็จู่งที่อะไรก็โอ้โหยไม่รู้เรืงรู้ราวผู้ชายก็จะนึกแค่เนี้นึกไม่ออก เพราะว่าไม่รู้ไม่เข้าใจสภาพความเป็นไปของสรีละไม่ทราบความเป็นไปของความวิตกกังวลของการที่มีเด็กอยู่ในท้องแล้วมันมีผลกระทบด้วยเนีไอ้ตรงเนี้ยรเราเราเป็นพยาบาลด้วยนะเราจะต้องมีคนมาฝากทันอะไรต่างก็สอนเจ้าผู้ชายไปด้วยเข้าใจหไหมบอกพระฝากมาวันที่ยี่สิบธันวาแล้วบอกเออพระท่านฝากมาวันเนี้ย มันมีผลกับครบตอตเด็กด้วยกรณีที่เนี่ยมีภรรยารู้ล้วความทุกข์ของผู้หญิงมีกี่อย่างจัดอบลมเลยเนะี่ยอบลมเลยมันก็บอกไม่รู้ครับเวลาจะจะบอกให้ฟังเนี่ยไม่ยอมศึกษาบ้างฉันก็เพิ่งรู้ที่แหละ <c oughs> บอกเนี่ยนะก็บอกเขาเลยอยงนี้ <c oughs> ก็บอกว่าเนี่ยความทุกข์ข้อแรกเนี่ยเวลาเขาแต่งงานกับคุณเนี่ยก็ต้องจากพ่อแม่มาอยู่คุณก็ว้าวเวเขาทุกข์ ข้อที่2ก็คือความภาวะความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของของความเป็นสตรีของผู้หญิงเนี่ยเดือนละครั้งอย่างนี้เป็นต้นเขาจะเกิดความสวิงในร่างกายสูงในจิตใจสูงเมื่อดินน้ําไปรวมในร่างกายมันผันปวนผันแปรก็เป็นเหตุกระทบกันจิตใจของเธอด้วยนั้นต้องรู้จักเอาใจเขาต้องรู้จักฉลาดในการที่จะประยุงความรู้สึกเขาให้เป็นเรียบบอกนี่เนี่สาวคือทุกข์ในการตั้งครรภ์ไงตอนนี้ตั้งครรภ์แล้วถ้าเขาเครียดเธอเครียดกันม า, าเด็กในครรก็เครียดด้วย นั่นต้องดูกันดีอย่าสักว่าอยากจะมีภรรยาพอพรรยามมีอาการแบบนี้ก็อยากไปหาใหม่นิสัยไม่ดีอบหลเนี้ยได้เลยอย่าไปทําป็นสามีฉันแน่เลยพูดแบบนี้ก็ได้ไอ้นั่นแก้ไปได้แล้วก็บอกว่าได้พระยชนแบบเนี้ยระบาความเครียสบายเลยนี่แต่ไม่พูดดีๆนะพูดกับเขาดีๆข้อสุดท้ายก็คือทุกจการเออไม่ใช่ เลี้ยงดูก็ผู้ชายต้องช่วยกันดูแลข้อสุดท้ายก็คือว่าผู้ชายต้องไม่เอาแต่ใจผู้หญิงต้องบนเปลือหาอาหารฝ่ายชายดูซักเชื้อผ้าให้ดูแลปฏิบัติผู้ชายแล้เอาแต่ใจตัวเองต้องระวังเบียดเบียนเขามากเกินไปให้ผู้ชายที่อยากจะมีภรรยาก็ต้องรู้จักนี้เป็นต้นนะนแต่ผู้หญิงก็งมีทุกผู้ชายก็มีความทุกข์นะ ฉันไม่ได้มาพูดเรื่องงานแต่งขออภัยลืมไปแต่ฉันรู้ว่าปัญหางานมาจากปัญหาครอบครัวถ้าครอบครัวมีความสุขแล้วจะมาทํางานที่ลงโรงพยาบาลวความสงขจะเกิดมันมาจากบบพื้นฐานครอบครัวนั่นแหละเช่นผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมเด็กผู้ชายเนี่ยผู้หญิงต้อจัดการงานดีเป็นหน้าที่ของผู้หญิงผู้หญิงก็ฉลาดใช่ไหมในการงานบ้านส่งค่าคนข้างเคียงของสามีไม่ดีไม่นอกใจ เ, เนี่ย เก็บัพย์ที่สามีหาไว้ได้ยขยันไม่เกียจค้านในกิจการน้ำพวนนี่เปหน้าที่ของภรรยาเนี่ส่นสามี e ก็ยกย่องนับถือว่าภรรตเป็นภรรยาใช่ไหมผู้ชายบางคนปากจะพูดยกย่องภรรยาไม่เป็นเลยหรือไปที่ไหนไม่กล้าประกาศผู้หญิงก็ชอบชอบให้ประกาศประกาศความดีเขาเอะมันหาไม่เจอเลยทําไงหาความดีไม่เจอเลย ไปรีบมาคิดไหลายรอบม่ต้องมีสักอย่างนะแล้วก็มาประกาศบ่อยๆประกาศบ่อยๆเขาจะชื่นใจแล้วนะข่าแท่านะพอผู้ชายประกาศความดีเขาบ่อยๆหรือบ่อ ย, อยถามว่าความดีคุณภรรยาคุณเป็นยังไงพอเป็นพยาบาลอยู่ชัยวรดาลบุรีอ๋อนั่นความดีใช่นั่นแหละความดีข้อแรกมันจะเช็คความดีข้ออื่นไม่ออกคิดเรื่องนี้ไปก่อนที่ข้อความขอ้มขอแรก เขาก็ชื่นใจโอ้โหภรยาเป็นพยาบาลความดีขอกีอะไรเขาเขาเขาบอกว่าโบราณเันก็ห้ามแต่งงานกับคนสองประเภทบางบางบางกุนหนึ่งหนึ่งหมอเอหนึ่งพยาบาลสองะไรเนี้ยพวกครูถ้าพยาบาลก็จับสามีตรวจเนยเป็นนู้นเป็นสตรวจสารวัตสงสัยวันนี้จาะงานเรื่องอะไรมาไปเรื่องอะไรแล้วก็ครูก็สอน เห็ น, เ ห, นเห็นสามีเป็นแต่กนักบลัลสอนยันเลยสอนใหญ่เขาว่าเง้นตอนนี้เขาอาจจะเพิ่มท่าึ้นมาอีกแต่ท่าที่สืบต่อไปนี้นี้ประเด็นเป็นอย่างนี้กรณีรในลักษณะนี้ถ้าดูว่าถ้าสามีก็ยกยก่อมถ้าครอบครัวเนี่ยมั่นคงนะแล้วมีความสุขนะเขากลับเขามาทํางานก็จะมีฐานฐานความสุขที่สมบูรณ์มั้ง พรผู้หญิงเนี่ยยกย่อมเช่นว่าเขาเป็นคนได้อย่างนะรับผิดชอบเป็นคนที่เอางานเอาการแล้วก็เป็นคนเป็นคนที่ไม่เกียดค้าในกิจกรารเป็นคนรับผิดชอบแล้วเป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่ดีๆเพราะพอพูดสิ่งดีประกาศคนนุณออกไปแบบเนี้ยเขาจะค่อนข้างชื่นใจแล้วเขายิ่งปรับปรุงตัวเขาเองใหญ่แต่ถ้าไปตําหนินะไปเรื่องไม่ได้เรื่องเลยแต่เนี้ย เขาไม่ยอมทําอะไรเลยเสียไปตามที่พูดเลยนะผู้หญิงจะเป็นแบบนั้นจริงไหมยอมว่าจริงไม้มถ้ามีสามีตําหนิยอมอยากจะทําดีไหมหรือว่าจะทําดีชนะเขา้ได้เนี่ยยกย่อมไม่โดมินงโง่ไม่ได้เลื่อนหรือจไปโดมินเ้าเนี้ยใช้ไม่ได้เป็นอย่างข้ามฮั่นแล้วก็ไม่นอกใจนี่ไหมค่อเนี้ยไม่นอกใจ แล้ก็มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้เขาชอบมากเขาบอกเอ้ยนี้จะจัดการไงคุณเป็นใหญ่ในบ้านคุณจัดการโอ้โหเขายิ่ง like> yeah. mm ื hmm. oh, okay. surfaces, s <S ่นใจมากเขาเดินรอบบ้านเลยตรงนี้เขาเป็นใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะชื่นใจมากในบ้านเขาเขาเป็นใหญ่โอ้โหเาชื่นใจมากเลยจะจัดการยังไงตรงนี้ตรงนี้ก็าบอกโอ้ขากลุ่นเป็นใหญ่ในบ้านจัดการไปโอ้โหเขายิ่ชื่นใจแล้วข้อสุดท้ายก็คืออะไรรู้ไหม หาเครื่องประดับให้ในการนั้นคนยอมสามีทําหน้าที่นี้บ้างว่าถ้ากลับไปก็บอกเลยนะเนี่ยเพราะครอบครัวเราที่ไม่มีความสุขเพราะคุณไม่เคยซื้ อ, อเครื่องประดับให้ฉันเลยพอฉันไปทํางานที่โรงพีาบาเสียโดยที่ <c oughs> ฉันเลยเครียดเลย น, นี่เป็นมาตรฐานความจุดีิเรามาทํางานเนี่ย ที่การชี้ว่าจริงๆฐานความสุขเนี่ยมันมาจะครอบครัวแล้วทีนี้เวลามาทำงานนะมาทำงานเนี่ย เ, ออเกี่ยวในเรื่องของหลักการในการใช้มรมิหารหมดเวลาแลวจ้ะ ห, หลักการเอ้ยอเดี๋ยวดีกว่าั จะหมดนี้เสียงมันแตกกั่างนีคือคืออย่างนี้ว่านี่จะหมดเวลาแล้วใช่ไหมเ้ยฉันอยากให้หมดเร็เรวๆยิ่งใกล้หมดอย่างแล้วเดี๋ยวให้ถามปัญหาไดงนี้ <c oughs> อยากให้พเราได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วมีเวลาเจอกัน <c oughs> แค่ไม่ ไม่มีริปัญหาอะไรประเด็นปัญหาอะไรต่างๆถามเลยนะตอบตอบทุกประเด็นถ้าเข้าใจแต่ว่าถ้าประเด็นไหนต่อบไปอาจจะกระทบกระเทือนกันบ้างก็ไม่ว่ากันคืออย่างนี้อยากให้เราเนี่ยได้ในกรณีการทำงานร่วมกันทำไมที่บอกพูดถึงเรื่องนานพูดถึงเรื่องเงินพูดถึงความสุข หลักการในทำการทํางานจริงๆต้องตั้งประเด็นว่างานก็ได้ผลคนต้องเป็นสุขใช่ไหมหลักการเนี้ยงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขแต่งานไม่ได้ผลคนเป็นทุกข์ในเสียสองนะงานได้ผลคนเป็นทุกข์ในได้หนึ่งเสียหนึ่งหลักการที่ถูกต้องงานก็ได้ผลคนต้องเป็นสุขเอาเลยทีเี้ถ้าตั้งหลักถูกอย่างเงี้ยมันจะจับประเด็นได้มันมันจะมันจะชัดในการดําเนินชีวิตทีนี้งาน งานไม่ได้ผลคนเป็นทุกข์นี่บ่งบอกชัดบ่งบอกชัดว่าเวลาเราจะทำงานเนี่ยอยากจะรู้ว่าแรงจูงใจแรงจูงใจในการทำงานในการประกอบกิจกรรมของชีวิตเนี่ยเรามีแรงนีอะไรเป็นมีอะไรเป็นตัวผลักดันถ้าเราเอาตัวเงินน่นะว่าฉันทำงานฉันต้องได้เงินฉันทำงานฉันต้องได้เกียรติยศชื่อเสียง ฉันทํางานจะต้องได้ขั้นเงินเดือนอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวได้รับการยกย่องถ้าเอาความถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้งเอาการได้รับการยกย่องได้เกีดยรติยศชื่อเสียงได้เสียงสรรเสริญเยนยอได้ขั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งลักษณะยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการทํางานซึ่งมีตัญหาเนี่ยเป็นแรงจูงใจเพราะมีปัญหาคือความทะยานอยากเป็นแรงจูงใจเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ย มันก็จะทําไปตามความทยานอยากแต่เวลาทํางานมันจะเครียดมันจะทุกข์จริงๆมันไม่อยากทําหรอกแต่มีเงื่อนไขคือได้เงินถึงทําจริงๆมันไม่อยากทํางานหรอกแต่ทํามาเราอยากได้รับการยอมรับนับถือจึงทําจริงๆเราก็อยากทํางานหรอกเพราะเราได้ยกได้เกียรติยศชื่อเสียงได้รับการยกย่องสรรเสริญหรือได้ค่าเงินเดือนได้ตําแหน่งหน้าที่การงานเราจึงทําเพราะไปมีเงื่อนไขตรงนั้นเป็นตัวตั้งปุ๊บเนี่ย การทำมันไม่มีความสุขมันอยากจะไม่ต้องทำแล้วมันได้ทีนี้ให้สังเกตดูนะว่าในการทำงานเนี่ยเงินเดือนมันคนละเรื่องกันนะยกตัวอย่างแต่พวกเราเนี่ยมันเอามาผลกันแลวคนในโลกแบ่นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรียนหนังสือขยันอ่านขยันอ่านขยันเรียนขยันศึกษาผลของการเรียน ผลของการอ่านหนังสือผลของการเรียนนะ่ยคืออะไรอะไรเป็นผลของการเรียนอะไรพวเป็นผลของการเรียนเชนเราอ่านขยันอ่านหนังสือขยันศึกษาหาวิชาการความรู้ น, นั้นๆนะนี่คือเป็นเหตุอะไรเป็นผลถ้ากวาดบ้านการกวาดบ้านเป็นเหตุอะไรเป็นผล าสะอาดาเป็นฝนใช่ไหมทีนี้พอก่าดบ้านสะอาดเสร็จปุ๊บแล้วมีคนชมบางคนจะไปเข้าใจผิดนะแล้วพอกวาดบ้านนี่แหละคนป็นชมเราก็เลยเรียกว่ากวาดเป็นเหตุการณ์ถูกชมเป็นผลนที่จริงอันนั้นเป็นผลบ่อยได้เหมือนกันกรณีที่เรามาทำงานเนี่ยเราเป็นพยาบาลในการดูแลดูแลผู้ป่วย<ม>เป็นหมอในการรักษาผู้ป่วย การดูแลการให้ยาการรักษาผู้ป่วยเป็นเหตุอะไรเป็นผลคุณภาพชีวิตของคนไข้สุขภาพเขาดีขึ้นโรคภัยแเจกเขาหายไปใช่ไหมได้คุณภาพชีวิตทีเป็นเหตุเป็นผลตรงกังนใช่ไหมแต่พอมาทำงานเป็นพยาบาลเป็นนีเอกเป็นเหตุในการดูแลคนไข้เป็นเห ต, กเเหตุการได้เงินเดือนแช่ผลไหมเงินเดือนเป็นผลในตรงหรือผลในออม ได้ตรงหรืด้อ้อมถนนโด้อ้อมใช่ไหมมันการกวาดถน น, นเป็นเหตุถนนสะอาดเป็นเป็นผลแต่การได้รับมันเดือนเดือนละเจ็ดพันเดือนละแปดพันหรือเดือนละหมื่นแต่การกวาดถนนอันนั้นเป็นผลในอ้อมก็เรนีที่เด็กดูหนังสือนั้นเป็นเหตุความขาดฉลาดในบทเรียนในในข้อสอบที่ตัวนี้อ่าน น, นั้นเป็นผลแต่ใบประกาศ น, นั่นเป็ผลโดยตรงหรือโด้อ้อม ใบประกาศมันเกี่ยวความรู้ที่ไหนลรามันขออ้อปติการเป็นข้อตกลงร่วมกันใช่ไหมบางทีพ่อแม่บอกว่าลูกเออขยันอ่านหนังสือนะถ้าลูกอ่านหนังสือเลื่อนี้จบแม่จะพาไปเที่ยวทะเลลูกนูนเข้าใจเพี้ยนเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าการอ่านเป็นเดตุการเที่ยวทะเลเป็นผลแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยบางทีลูกเนี่ยโอถ้าหากลูกเรียนเก่งนะได้เกรดเฉลี่ยสามจุดสสามจุดห้าสมจุดเจ็ดอะไรก็แล้วแต่อย่างแม่จะพาไปเที่ยวต่างประเทศลูกเข้าใจผิดเลมันถูก ถูกเพียงเน่ยถูกแปลสภาพแล้วแต่เนี่ยมันเรีว่าการเรียนได้ 3.4 3.5 เป็นต้นอะไรนี่เป็นเหตุการไปเที่ยวต่างประเทศเป็นผลแท้จริงการขนขวายในการที่จะศึกษาอ่านวิชาการความรู้ทั้งหลายเป็นเหตความรู้ความเข้าใจทักษะความรู้ทั้งหลายเนี่ยความรู้ในบทเรียนนั้นๆในสิ่งที่ตันเองศึกษาเราเรียนนั้นๆนั้นเป็นผลใช่ไหมล่ะการปลูกต้นไม้เป็นเหตุการตกแต่งสวนเนี่ยเป็นเหตุการให้ดูดลดน้ําฝนนี่เป็นเหตุ ต้นม้เจริญงอกงามสวนเจริญติบโตงอกงามนี่เป็นผลใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นธรรมชาติมาอย่างนี้แต่การได้เงินเดือนเจ็ดพันแปดพักพแต่ละเดือนเป็นกติกาเป็นสมมุติเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ย่างกับคนที่ไปรับรางวัลนั้นกเราเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยการจะทํางานที่เหตุดังนั้นเป็นเหตุคนไข้คุณภาพคนคนไข้ก็ดีผู้ป่วยก็ดีตลอดถึงว่า งานในโรงพยบาลเนี่ยมันมันมันเจริญงอกงามไพบูนย์และลุ่งเรือง่นี้เป็นผลเกตุกับผลมันตรงกันแบบนี้นะส่วนเงินเดือนเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหลาเลยเหล่านี้มันเป็นผลโดยอ้อมเป็นกติกาเป็นสมมุติเป็นข้อตกลงร่วมกันมันไม่ใช่เป็นผลโดยตรงพอจะชัดเจนไหมตรงนี้ทีนี้มนุษย์เกิดเหตุกับผลเนี่ยมันมันมึน มันงงกันเลยเรียกว่าการทํางานเป็นเหตุเงินเดือนเป็นผลมันก็ไปใหญ่เลยแต่เนี้ยมันก็เลยว่าเอาแล้วเอาสุขทกไปอยู่ที่เงินเดือนนู่นเอาสุขทกไปอยู่ที่เกียรติยศชื่อเสียงนู่นเอาสุขทกไปอยู่ถึ่ขั้นอยู่กับตําแหน่งนู่นมันก็ไปคนละเรื่องเลยแต่เนี้ยไองานไม่อยากทํามันทําตามเงื่อนไขเท่านั้นเองมันต้องทําไม่ทํามันไม่ได้เงินเดือนมันก็เลยมีตัณหาเป็นแรงจูงใจในตัวขับเคลื่อนในการทํางานมองเห็นไหมครับ ทีนี้มันจะทํำด้วยความทุกข์ทำด้วยความเครียดทำด้วยความกลุ่มใจมันก็ไม่รักแล้วแต่ถ้าหากว่าทาํางานยกตัวอย่างเช่นว่าการที่เราต้องมาดูแลคนไข้เราได้อะไรเนี่ยฝึกกันเลยฝึกทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งปัญญาทั้งทักษะความรู้ความสามารถศักยภาพของเราชำนิชํานาญมากขึ้นเราจะได้มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นชาญฉลาดในการวิจัยแยกแยะ เรื่องโรคภัยไข้เก็บได้มากขึ้นมีความรู้มีความเข้าใจในการที่จะแนะนําบุคคลที่ป่วยหรือบุคลากรของโรงพยาบาลหรือบุคคลที่มาใช้บริการได้ดีขึ้นโอ้โห oh, oh, มันก็เลยมีความสุขกับการที่ทางานแล้วก็ทักษะความรู้ความสามารถศักยภาพมันก็ยิ่งโอ้โ oh, หมีมากขึ้นเลยเพราะเหตุก็คือเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาไม่หยุดหย่อนแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็มีทักษะในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองเต็มที่เลยงานได้ผลไหม งานก็ได้ผลไอ้คนที่ทํางานมีความสุขไหมโอ้โหศักยภาพดีขึ้นสภาพจิตใจดีขึ้นปัญญาความรู้ความเข้าใจนะั้นเด่นชัดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเหตุกับผลมันได้ตรงกันเลยส่วนได้เงินเดือนเป็นค่าตอบแทนเป็นผลโดยอ้อมไอ้นั้นก็ทําให้สุขเพิ่มขึ้นไอ้สุขจากการได้ทําสุขจากการได้ฝึกผลพัฒนาฝึกจากการได้ทักษะได้เพิ่มทักษะศักยภาพความรู้ความสามารถตรนเองโอ้โหยี่มันไปโรดเลยโรงพยาบาลนี่มันจะเด่นเด่นในระดับประเทศยังได้เลย ถ้าทุกค น, นี้เป็นบุคลากรของโงรงพยาบาลทุ่มเทศักยภาพความรู้ความสามารถตนเองเต็มที่แล้วมีความสุขกับการได้ทำงานทุกคนมีศักยภาพแต่และบุคคลโอ้โหมีศักยภาพเต็มเปี่ยมเลยทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาโหพัฒนาไปพร้อมกันเลยเัอเนี่ยส่วนเงินเดือนเป็นแค่ผลผลอยได้ แต่ศักยภาพของผู้ทำงานโอ้โหทุกด้านถูกพัฒนาหมดเลยคนไข้ผู้มาใช้บริการโอ้โหได้รับบริการอย่างดีเลยแม้บุคลากรเลยสถานที่และแม้บุคลากรในโรงพยาบาลก็มีความรักความสมัครสมานสมัคคีกันอย่างดีเลยเพราะทุกคนฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขในการทำงานเพราะจะเห็นไหมยากไหมแบบเนี้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหย สรูปแล้วเห็นไหมนะว่าจริงๆแล้วในการทํางานใช่ไหมงานมันได้ผลไหมแบบนี้คนทํางานเป็นสุขไหมสุขตรงที่ได้ฝึกพฤติกรรมก็ได้ฝึกทุกด้านศักยภาพความรู้ความสามารถก็ได้ฝึกทุกด้านและได้เรียนรู้อย่างไม่หยุดหย่อน โลกและชีวิตทั้งหลายสถานการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็แล้วแต่ก็เรียนรู้รู้เท่าทันในการที่จะฝึกฝนพัฒนาและสามารถที่จะรับปัญหาที่มันโถมทับเข้ามาได้ได้ได้อย่างดีเพราะทุกคนมีศักยภาพทุกคนมีความรู้แล้วใครก็อยากได้บุคลากรโรงพยาบาล น, นี้นะเนอะพอบอกว่าโอ้โหโรงพยาบาลไหนชัยวัฒน์โลกรีโอ้โหขอหน่อยได้ไหมขอขอตัวหน่อยได้ไหมเพราศักยภาพแป้มทุกด้านเลยโอ้โหใช่ไหมแล้วทุกคนทํางานเนี่ย งานได้ผลคนก็เป็นสุขแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่ยยมใสเจอหน้ากันยิ้มแย้มแจ่มใสแม้คนไข้ามาแล้วไม่อยากกลับเลยอ่ะเห็นหน้าหมอเห็นหน้าพยาบาลเห็นหน้าพนักงานเห็นหน้าใครโ ห, โหนู้นน่ะยิ้มตั้งแต่ประตูทางเขายันพูดโดยการยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่ยิ้มอย่างเดียวด้วย มีข้อมูลความรู้มีทักษะมีวิธีการแนะนํามีวิธีการมีเรื่องอะไรใหม่ๆปรับปรุงแก้ไขโอ้หพนักงานแต่ละคนลึืบุคลากรแต่ละคนเนี่ยไปที่ไหนโอ้โหตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตเออตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเป็นขยันมากขวนขวายมากใช่ไหมแล้วทํางานเชื่อมประสานกันได้อย่างดีด้วยเหมือนเครื่องจกักรเหมือนเหมือนรถยนต์ไอ้รถยนต์นี่ยนะไอ้เครื่องยนต์กลไกเนี่ย มันทำงานเชื่อมประสานกันได้ดีไหมหรือมันทำเป็นคนละหน้าที่คนละทำแล้วละหน้าที่แต่มันเชื่อมประสานไหมเชื่อมประสานเนี่ยลักษณะอย่างนี้ยโอ้ยพนักเจ้บ ara, าบุคลากรโรงพยาบาลชัยบาดานเนี่ยทำงานเหมือนกับเครื่องรถ ด, ดิน เชื่อมประสานกันทุกตัวแล้วไม่ก้าวไายหน้าที่กันด้วยนะเชื่อมกันได้อย่างดีด้วยคนที่เป็นพออก็ทําหน้าที่พอออดีดีที่สุดรองพออก็ทําหน้าที่ดีๆที่สุดหัวหน้าพยาบาลก็ทําหน้าที่พยาบาลก็ทําหน้าที่พนักงานแต่ละแผนกทําหน้าที่ดีๆแม้แต่คนไข้ยังทําหน้าที่ดีเพอสอนจนรู้สึกโอ้เราเป็นคนไข้ต้องทําหน้าที่ยังไงหมอทําหน้าที่ยังไงพยาบาลทําหน้าที่ทุกคนรู้หน้าที่ขนขวายทําเลยเต็มที่เลยโอ้มีความสุข อยากจะมาไม่ป่วยยังอยากจะมานั่งดูที่ก่อนมอเห็นแล้วมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสไม่น่านิ้วคิ้วขมวดพอจะมองเห็นไหมอะไรเงี้ยเอา้าให้ถามปัญหาด้วยแล้วย่งมาพูดรอเวลาให้ใหมีใครจะถามเชิญพอดีทางในที่ประชุมหาเขาส่งคำถามมานะครับ วิธีการทําให้กายและใจมีเป็นสุขอ่ะครับพระอาจารย์มีวิธีแบบไหนบ้างครับพูดไปเยอะแล้ในตอนนี้ <c oughs> ข้อสองครับเดียประเด็นก็ทํากายให้มีความสุขใช่ไหมพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยเขาเรียกทางกายกรรมกายกรรมวจิกรรมและอาชีพไอตัวกายกรรมวจิกรรมและอาชีพที่ผลักดันออกมาเนี่ยมันถูกตัวข้ขางในอะ่ะ มันมาจากอะไรรู้ไหมมาจากเจตนาที่เป็นกุศลเจตนาที่ดีเจตนาที่งดงามพอไหมเจตนาดีอย่างเดียวเจตนาที่เป็นกุศลเจตนาที่งดงามดีไหมพอไหมพอไม่พ อ, พ อ, พอปัญญาต้องมาโดยบางคนเจตนาดีอย่างเดียวแต่ทําผิดการผิดเวลาผิดบุคคลผิดสถานที่เยอะซวยเลยขอไป แย่เลบางคนเนี่แล้วก็มาร้องไห้เหนือสาวทำดีแทบตายไม่ได้ดีทำดีแต่แตายออไม่เห็นลองพอทำดีแทบตายหัวหน้าไม่เห็นต่อไปไม่ทาดีมันแล้วที่จริงเนี่ยทาดีมันต้องได้ดีใช่ไหมจริงไม่จริงจริงไม่จริงไม่จริงเลยอ๋อจริงเหรอคุหูหอหูหาเรื่องเลยไม ที่ทําดีใช่ไหมทําดีมันก็เป็นความดีเวลาทําดีสภาพจิตที่ดีก็เกิดขึ้นจิตที่เอื้ออารทรจิตที่สะอาดเฉียบมองจิตที่ผ่องแผ้วมันเกิดขึ้นนั่นแหละทําดีอะคุณภาพจิตที่ดีมันเกิดขึ้นทําดีบุคลิกภาพดีๆมันก็ผลักดันออกมาส่วนการได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับได้ยศสุขสรรเสริญนั้นเป็นระดับที่สามอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ละสองระดับมันได้อยู่แล้ว หนึ่งสภาพจิตที่ดีสองบุคลิกภาพที่ดีพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาทั้งหลายเนี่ยมันมาจากสภาพจิตที่ดีหนึ่งสุขเกิดทางใจสองสุขเกิดแต่ทางกายพฤติกรรมทางกายทางวาจาออกมาเนี่ยนั้นทางด้านกายทางด้านจิตมันได้อยู่แล้วความสุขแต่อาจจะไม่รับการยกย่องก็ได้ถ้าไปทําดีผิดที่ผิดผิดเวลาเวลาหรือคนเขาไม่ยกย่องเช่นเช่นในบางยกบางสมัยเนี่ยคนแต่งกาบก่อเนี่ย แต่คนผู้นำในบางยุคบางสมัยเขาไม่ชอบเขาก็อาจจะไม่ยกย่องใช่ไหมล่ะหรือบางคนเก่งทั้งด้านศิลปะเนี้ยด้านวาดเขียนแต่ในสถานที่แห่งนี้เขาไม่ชอบผู้นำทั้งหลายไม่ได้ยกย่องคนวาดคนเขียนยนี่เป็นต้นอาจจะไม่ได้ดีอันนั้นก็ต้องไปดูอีกทีว่าไปทําดีถูกบุคคลถูกการถูกเวลาเวลาไหมอันนั้นความชันฉลาดอีกอย่างหนึ่งนะอันนั้นก็ไปดูเอารายละเอียดสรุปแล้วทํายังไงจะได้กายมีความสุขก็คือ ให้จิตเนี่ยเป็นความดีเกิดขึ้นแล้วทํำด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจแล้วก็กายกรรมวิจีกรรมอาชีพที่ผลักออกมาเนี่ยหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมามันจะเป็นความดีงามมันก็เลยได้สุขทั้งกายสุขทั้งใจทีนี้อย่างที่บอกไว้แต่แรกๆไงว่าการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมรู้จกักดูแลตนเองชาญฉลาดในการที่ว่าออาหารอย่างไรที่อยู่อย่างไรเครื่องนุ่งหม่มอย่างไรยาแบบ มีคุณภาพชีวิตดีอายุยืนยาวก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งด้านร่างกายมีงานมีเงินพึ่งตัวเองได้ทางด้านเศรษฐกิจมีเกียรติยศชื่อเสียงไปที่นับหน้าถือตาทางทังกรมครอบครัวบริหารจัดการที่พูดไปแล้วเรื่องการอยู่กันระหว่างสามีภรรยาเป็นต้นความสุขมันเกิดได้ครับหมายถึงว่าเป็นพวกจิตที่มีคุณภาพจิตที่มีสมรรถภาพแล้วก็จิตที่มีความสุขก็ทําให้เรามีความสุขเช่นกันครับถ้าคำว่าคุณภาพเนี่ยท่าพูดถึงเรื่องพรหมวิหาร จิตที่มีภพวิหารธรรมเมตตากรุณามุถิตาจิตที่มีความละอายต่อบาปเป็นกลัวต่อบาปกระตันยูกระตา ว, วิธีนี่ก็จิตที่มีคุณภาพถ้าสมารรภาพท่านพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นความกล้าๆาอาศรานความเป็นผู้มีสติกำกับอยู่กับตัวมีสมาธิมีความอดทนมีความตั้งมั่นห่งจิตนี่ก็รีสมรรถภาพถ้าความสุขก็กลุ่มปราโมทปีปีปัสสทิสุขปรุงแต่งจิตได้ง่าย ปรุงแต่งจิตในเรื่องดีๆได้ง่ายทําความดีชอบการทําความดีแล้วก็มีความสุขกับการทําความดีได้ง่ายนี่ก็เรียกว่ามีทั้งคุณภาพมีทั้งสมรรถภาพแล้วก็มีทั้งความสุขด้นานจิตใจเมื่อจิตมีความสุขและสมาธิเกิดง่ายก็เป็นฐานต่อการที่จะทําให้ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะอะไรได้ชัดนี่เป็นต้นข้อต่อไปครับวิธีการวัดความสุขของเราและวัดของคนอื่นใช้อะไรวัดครับ าการสุข เ, ออเขาใช้ตัวที่จริงสุขอย่างนี้มันมีสุขว่าสุขอิงสิ่งเสพกับสุขอิงเกี่ยวในเรื่องของความดีประเด็นมันว่ามันใช้ปัญญาเนี่ยตัวปัญญาเข้าไปคัดว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสุขจากสิ่งเสพใช่ไหมเช่นว่าเราเอาความสุขไปฝากไว้ถ้ามีบ้านถึงจะมีความสุข มีรถถึงจะมีความสุขมีภรรยามีบุตรหลานญาติมิตรมีตำแหน่งหน้าที่การงานมีเงินถึงจะมีความสุขกรณีอย่างนี้สุขอย่างนี้ไปเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งเสษมันอิงอามิ t h อิงสิ่งเสพความสุขในลักษณะนี้เป็นความสุขที่พึ่งพาเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นความสุขที่อ่อนแอมากเพราะจะสุขได้มันต้องมีสิ่งเศพ แล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณวัตถุเพิ่มปริมาณสิ่งเสีไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนปริมาณวัตถุปริมาณสิ่งเสีไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นว่าเป็นความสุขที่พึ่งพา aim อ่อนเอมากบนประเภทเนี้แต่คนที่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงมันสุขจากการได้ทําสิ่งที่ดีๆได้ประพฤติการการกระทําทางกายทางวาจาหรือทํากิจกรรมที่ดีงามทั้งหลายมีความสุขจากการได้ทําถามว่าเป็น กับคำว่าทำเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันเป็นผู้อำนวยการเป็นรองผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลกับคําว่าทำหน้าที่ของความเป็นผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเป็นหมอเป็นพนักงานเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นกับคําว่าทำเนี่ยเราให้ความสำคัญอะไรอะไรสาคัญกว่ากันแต่คนบางคนเนี่ยไปให้ความสำคัญคาว่าเป็นมากกว่าทา มันเลยยุ่งแล้วมันไม่พัฒนานั้นมันต้องให้ความสําคัญกับคําว่าทำใช่ไหมทำสําคัญกว่าไหมพระเจ้าให้ความสําคัญกับคําว่าทำมากกว่าเป็นฉะนั้นอย่าไปท่องเยอะว่าฉันเป็นอะไรนะรู้กันเยอะเป็นอะไร เ, เขียนตัวเล็กๆก็ได้แต่ทำเนี่ยสําคัญที่สุดเราจะทําหน้าที่นั้นแล้วให้มีความสุขและให้ดีที่สุดมองออกไหมไอ้ตอบถูกประเด็นไหมเนี่ย เอาว่าต่อมาพ้ะอาจารย์ครับอุเบกขาคือการวางเฉยหรือไม่เราจะใช้อุเบกขาอย่างไรเมื่อไรกับใครครับอุเบกขามีสองอย่างยาโนเปกขากับอัญญาโุเปกข า, ากถ้าอัญญาโนเปกขาก็เรียกว่าเฉยโง่เฉยไม่รู้เรื่องอัญญาณะเนี่ยแปลว่าเฉยแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ เฉยแบบเม่เขาเรียกเฉยเมยอ่ะเข้าใจคำว่าเฉยเมยไหมเออชัดๆดีแปลแบบเนี้ยเฉยเมยอ้าวคนป่วยร้องโอยโอยโอยมาก็เฉยเมยเจ้าหัวหน้าพอออถือของพลุนพลังลงจากรถมาก็เฉยเมยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมปล่อยหัวไปอยากถือมาเยอะเองลุงเข้าใจยังเนี่ยเฉยเมยเฉยเมยนี่ยมันเฉยไม่รู้เรื่องเป a, ็นอ mhm. ัญญาโุเปกขา เป็นโมหะต้องแก้ถ้าเป็นยาโนปเบขาเนี่ยเฉยแบบมีปัญญาเป็นอุปเบขาเนี่ยอุปเบขาแปลว่าอะไรเนี่ยไปพิจารณ า, าวาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองเนี่ยต้องนี้ว่ายกตัวอย่างเช่นเราเป็นหัวหน้าแล้วก็ให้ลูกน้องทำงานในขณะที่สั่งงานเข้าไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปจุน้านกับเขาเยอะรูออหม เมื่อสั่งงานไปแล้วก็ปล่อยให้เขามีโอกาสฝึกฝนพัฒนาตนัวเองเขาอาจจะลองผิดลองถูกอะไรก็แล้วแต่เขาได้มีโอกาสฝึกตัวเองพอเขาโตแล้วไม่ได้ไปกี้ยังงั้นโอ้ยจี้ทุกเนื่อเลยเขาบังแมวทับเองเขาห้องเงี้ยเห็ไหมมีมีเพื่อนกันเยอะๆเลยเต็มเต็มเข้าใจย่างก็คือว่าปล่อยให้เขามีโอกาสฝึกฝนพัฒนาตนัวเองเขาจะได้เรียนรู้ ท้าไปดูอีกทีว่ามันผิดพลาดยังไงก็ไปบอกแนะนํากรณีเงี้ยก็คือว่าเหมือนลูกเนี่ยโอกาสที่ลูกจะไปศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนเองก็ต้องปล่อยให้เขาได้ฝึกษาฝึกพัฒนาตนเองหรือลูกไปแต่งงานแล้วไปทํากิจกรรมอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเขาทําเหตุอะไรเขาจะได้รับผลก็ต้องวางใจเป็นกลางและในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาทาชั่วทําผิดเนี่ยเช่นในบุคล า, ากรในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้คนนั้นทําทผิด ให้พวกเราเว้ยไม่ได้ต้องกรุณามันเอ้ยเผลอเรารู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเดี๋ยววิ่งให้เดี๋ยววิงวว่งให้ไอ้กรณีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใช้วาล้ที่ควรใช้อุเบกขาเมื่อเขาทําผิดกฎเกณฑ์กติกาเขาควรได้รับโทษแล้วก็บอกเขาว่าฉันก็ยังรักคุณเหมือนเดิมคุณก็ยังเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นผู้ใต้บังคับประชาหรือเป็นหัวหน้าแต่เมื่อคุณสร้างเหตุเป็นผิด กต้องรับผลของการกระทํานี่มันเป็นกฎเกณฑ์กติกามสภาพมันจะได้มีเอียงกระเทเล่ฉันไม่ได้เป็นคนลงโทษคุณนะอย่างว่าเป็นหัวหน้าเนี่ยเขามาสายมันควรถูกลงโทษแต่เราบอกโอ้ยไม่กล้าอันนี้ไม่ถูกเราบอกไม่ใช่หัวหน้าเป็นคนลงโทษเขาแต่กติกาที่วางไว้เป็นผู้ลงโทษเขา กรรมคือการกระทําของเขาเป็นตัวลงโทษเขาเองไม่ใช่เราเราเป็นผู้ชี้ชี้ว่าควรลงเวลาไหนทั้งนั้นเองมองออกไหมั้างั้นผู้พิพากษาแย่เลยมองหน้าใครอันี้ยอ้าวตายลูกเราอ้าวหนุสามีเอ้นี่พ่อแม่ก็ยุ่งสังคมมันก็เอียงกระเทเลยโรงพยาบาลจะอยู่กันยังไงถ้งนั้นถ้าไม่มีการกีด ก, กัดเกณฑ์การศึกษาเฮ้ยอันี้ย่าไปยุ่งเว้ยนะนั้นเด็กปออเว้ยก็ไปเนี <laughs> ่ยยุ่งเลยอย่างเงี้ยก็มองออกไหม นั้นมันจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาแต่มีความรักความเอื้ออทอนกันนั่นแหละแต่วาระนี้มันควรใช้อุเบกขานี่สังคมจะได้อยู่ได้ได้อยู่เย็นเป็นสุขเลยตัวเนี้ยวาระนี้ควรเมตตาวาระนี้ควรกรุณาวาระนี้ควรมุติตาวาระนี้ควรอุเบกขาก็ใช้ให้ถูกที่ถูกสถานที่ถูกวลาเวลาถูกสถานการณ์ถูกบุคคลแต่ไม่ใช้เอาอุเบกขาไปใช้ในวาระที่ควร ควรเนี่ควรกรุณาเช่นคนไข้ร้องแทบตายมาแล้วเฉยเมยเฉยเงี้ยปล่อยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมวุญเงี้ยผิด เ, เ, เรผิดหลักอะไรเงี้ยเวละนั้นไม่ควรไปเจริญเวหาควรเจริญก ร, รุณาแต่นี้ถ้าช่วยเต็มที่แล้วมันไม่ดีขึ้นดาวลงดาวลงแย่ลงแย่ล ง, ล ง, ลงต้องทําอะไรต่อก็วางใจเป็นกลางว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเขาก็ต้องรับผลการกระทําไอ้อย่างเงี้ยก็เดยดชัดพอจะมองเห็นไหม สรุปล้อุเบกขามีสองส่วนอัญญาโนเปกขาไม่ควรจเจริญควรละแต่อญานุเปกขาหรืออุเบกขาเนี่ยพระมมิหารควรจริญควรฝึกทําให้เกิดให้มีขึ้นและต้องใช้ถูกกับสถานการณ์ไม่ใช่ไป ใ, ใช้ทั่วเลยแม่หกล้มตูงสัดโลกเป็นไปตามกรรมปล <c oughs> ่อยแม่ไป อ, อย่างนี้ยุ่งเลยนะอย่างนี้นะหรือว่าท้ามาพูดตั้งนานไม่มีน้ําเลยสัตวโลกเป็นไปตามกรรม <c oughs> นี่ไง ควรกรุณาฐานาน้าว่าก็ไรเนี่ยพอมองออกเนี้ยพอจะชัดไหมเนี่ยาถามต่อคนมีปัญญากับคนชานฉลาดต่างกันอย่างไรถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาต้องทําอย่างไรบ้างจําเป็นต้องวิปัสสนากรรมฐานหรือนั่งสมาธิบ่อยๆไหมครับโอ้จะพ้นทุกเลยเอา <laughs> ปัญญากับชานฉลาดเป็นศัพท์เดียวกัน ชื่อของปัญญามีเยอะเรียกว่าปริญญาก็ได้สัมปชัญญาก็ได้ญาณนะก็ได้ปัญญาก็ได้วิปัสสนาก็ได้ความชานฉลาดไอฉลาดสลับนี้นมาอ่าเข้ามาปัญญาน่แหละเป็นชื่อเดียวกันเรียกพยัญชนะต่างอักทะเนื้อความอันเดียวกันต่างกันโดยพยัญชนะเหมือนคนมีคนเดียวมีหลายชื่อชื่อคุณชื่อจริงชื่ออะไรชื่อว่าสมบัติ ชื่อเล่นนะ่ะชื่อแดงเนี่ยคนเดียวกันนั่นแหละอย่างนี้เป็นตน้นนั้นทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อกี้ถามในต่อนะว่าเลยนะว่าควรเจริญวิปัสสนาเลยนะควรเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือไม่อ่ะตอนไหนอ่ะถ้าจะทําให้เราเป็นผู้มีปัญญาอ๋อมันจําเป็นไหมครับเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังเนี่ยฟังแล้วขครสุดตะฟังแล้วได้ข้อมูล เมื่อเราในขณะที่ฟังแล้วเนี่ยจนเจาะลึกฟังแล้วเจาะทะลุทะลวงจนเกิดความรู้ความเข้าใจในขณะที่ฟังเห็นภาพเข้าใจได้อย่างชัดเจนนี้ก็เรียกสุดตาพยาปัญญาตบางคนฟังแค่จําได้แต่ไม่สามารถเจาะทะลุทะลวงในขณะทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้นี่ก็ได้สุดตาเฉยๆทีนี้พอได้สุดตาพยาปัญญันี่ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังน่ะเข้าไปไข้ควนต่อ ไปพิจารณาให้ลึกกว่าเดิมละเอียดกว่าเดิมแล้วก็ทองแท้มากกว่าเดิมนี่เป็นจินตามียะปัญญานี่ยระดับการการคิดสูงไปกว่านั้นก็คือว่าเอาไปฝึกฝนพัฒนาจนสามารถประจักชัดเข้าถึงได้เข้าถึงความรู้ความเข้าใจได้อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่ังนี้เขาเรียกภาวนามายปัญญาเนี่ปัญญาสามระดับอย่างพวกเราเนี่ยฟังให้เกิดความเข้าใจในขณะฟังปุ๊บนิบได้สุดตามียปัญญาแล้วต่อไปไม่หยุดเพียงแค่นี้ หยิบประเด็นที่ฟังไปนั้นเอาไปไขควรต่อวิจัยต่อแยกแยะจนเกิดความเข้าใจอันนี้เป็นกินตามยะปัญญาแล้วก็สามารถใช้สุดตาและกินตาผักดันให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนประจักษ์แจ้งชัดเหมือนกับเห็นเพชร บ, บนฝ่ามือเห็นแก้วมณีบนฝ่ามือเห็นได้ประจักษ์แจ้งเลยอันนี้เป็นภาวนามะยะปัญญาฉะนั้นเราจะต้องฝึกฝนพัฒนาปัญญา ทุกระดับทั้งสุตตะกินตะและภาวนาให้เกิดขึ้นจนสามารถถึงแจ้งชัดแยกแยะระหว่างนี่เป็นความเห็นนี่เป็นความรู้จนสามารถชัดแจ้งและเราก็จะดําเนินชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญาได้อย่างงั้นเราก็จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงไม่ได้ติดล่องแค่ความเห็นก็เข้าไปถึงความรู้อย่างแท้จริงนี่เป็นตัวหมดที่นยังอีกข้ออ้อาวได้ว่า <laughs> ชาติหน้ามีจริงไหมครับตายแล้วไปไหน เอางี้เอ่อไอนาทีที่แล้วมีไหมนานาทีที่แล้วมีใช่ไหมนาทีปัจจุบันนี้มีไหมที่จะนอนาคตนาทีที่จะเกิดในอนาคตมีไหมชั่วโมงที่แล้วมีไหมชั่วโมงปัจจุบันมีไหมชั่วโมงในอนาคตมีไหมเมื่อวานนี้มีไหมวันนี้มีไหมพรุ่งนี้มีไหมอาธิตฐ์ที่แล้วมีไหมอาธิตย์ อาทิตย์หน้ามีไหมเดือนที่แล้วมีไหมเดือนนี้มีไหมเดือนหน้ามีไหมที่แล้วมีหรือเปล่าปี้วเนี่ยแล้วมีนหรือเล่า ป, า ป, ปีปีนี้มีใช่ไหมนี่คือปัจจุบันปีที่แล้วเรียกว่าอดีตปีหน้าเรียกว่าชาตินี้มีไหม ชาติที่แล้วชาติหน้าชาติที่แล้วเรีกอดีตปัจจุบันาชาติที่เรียกปัจจุบันชาติหน้านะมันเรื่องเดียวกันนั่แหละที่จะพูดใด้ฟังเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็คือเรื่องเดียวกันเมื่อมีนาทีขณะนี้ยขณะปัจจุบันขณะจิตนี้มีอยู่ขณะจิตที่แล้วก็เป็นอดีตขณะจิตในนาคอดก็เป็นอนาคตไปถ้ามีนาทีนี้ก็มีนาทีที่แล้วขณะทีข้างหน้าถ้ามีชั่วโมงนี้ก็มีชั่วโมงที่แล้วก็มีชั่วโมงหน้า ถ้ามีวันนี้ก็มีวันที่แล้วก็มีวันหน้าถ้ามีปีนี้ก็มีปีที่แล้วก็ปีหน้าถ้ามีชาตินี้ก็มีชาติที่แล้วก็ชาติหน้าเรื่องเดียวกันหมดดียวกขนาดเด็กขนาดจิตนั่นเองฉะนั้นคิดขนาดจิตได้ก็คิดชาติหน้าได้ไม่เชื่อก็เรื่องเขาอย่าไปสนใจเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตกนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างสัตว์าาโลกก็เป็นมันยังอยู่อย่างนี้แหละอย่าไปกังวลกับคนเชื่อหรือไม่เชื่อนนะแต่ให้รู้ว่ามันมีอยู่แค่นั้นเองใครที่เชื่อก็ได้เปียบใช่ไหม ไอเชื่อแล้วไม่เห็นเนี่ยบางอย่างเนี่ยไม่ใช่เอาบางอย่างเนี่ยให้ ส, สังเกตตดูมาว่าบางทีเราไม่เห็นแต่ตันเชื่อเขาบอกว่าโอ้โหเชื่อโลกเต็มไปหมดเลยในร่างกายในบนรากาศเคาเห็นไหมจะเชื่อไหมน่าวใครบอกเ <c oughs> นี่ยเป็นอย่างเงี้ยพูดไปมันเยอะมากเลยนะมองไปบนดาวบนท้องฟ้าโอ้โหดาวเต็มไปหมดเลยว่างั้นนะเอามาไปถามนะักวิทยาศาสตร์ มีดรลวี i, ภาวิไลตอนนั้นเป็นนั่งเรียนอยู่ด้วยกันตายไปแล้วมั้งตอนนี้ตายไปแล้วถามวาโยมอาจารย์เนี่ยไอ้ดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงแกบอกท่านวันมีอยู่จริงไหเอ้าก็มีก็มองเห็นอยู่ไม่จริงหรอกดาวดวงดับไปแล้วนั่นเหลือแต่แสงมันแค่นั้นเนี่ยอ้อที่เนี่ยไอ้ตามองเห็นได้แท้ยิ่งบอกว่าไม่มีงั้นสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันมองว่าคนที่มีปัญญา พัฒนาปัญญาถ้าปราถนาอยากจะรู้ถ้าคนรู้ต่อรู้นั่งคุยกันแล้วมันถึงจะมีความสุขจริงไหมล่ะอีกคนหนึ่งไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งรู้คุยกันเครียดเครียดทั้งคู่อีกคนหนึ่งรู้เรื่องประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งไม่รู้เรื่องคุยกันก็เครียดทั้งคู่ไอคนหนึ่งรู้เรื่องชาติหน้าอีกคนหนึ่งไม่รู้คุยกันก็เครียดทั้งคู่เขาจยัง สรุปแล้วก็คือว่าอยากจะรู้ไม่เล่าว่ามีหรือไม่มีอยากรู้อยากจะพัฒนาปัญญาเพื่อไปพิสูจน์ไหมไม่อยากพัฒนาบอกถ้างั้นไม่ต้องคุยกันแล้วเลิกเลยเพราะมันมีวิธีการที่พัฒนาปัญญาที่เข้าไปรู้ความจริงข้อนี้มีอยู่แต่ทุกคนบอกว่าต้องกต้องการเอาเหตุผลจากการตักกะตักกาก็คือตักกาในการคิดก็อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่พอะจะมองเห็นไหม สรุปแล้วก็คือว่าจากพูดเรื่องอะไรเนี่ยถ้ารู้ต่อรู้คุยกันโอ้มีความสุขเหมือนกรณีบอกว่าคนบางคนเมื่อกี้เอวอาว่าเคยคุยตอนนั่งรถมาอย่างคนบางคนไม่เคยเห็นเป็ดแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกหลายอย่างมากแต่อยากจะรู้ว่าเป็ดมันเป็นยังไงเอ๊จะทําเคยเห็นเป็ดไหมออไม่เคยก็าถามเคยเคยเห็นไก่ไหมไม่เคย ยุ่งไหมได้เริ่มยุ่งเลยนะให้เคยเห็นนกไหมไม่เคยอ้าวเริ่มยุ่งอาหารแล้วหานแล้วก็เห็นมบอกไม่รู้ไม่เคยเห็นเขบอกแล้วแล้วเคยเห็นกบไหมเคยเห็นเออมันไม่เหมือนกบนะเคยเห็นปลาไหมไม่เหมือนปลานะเว้ยเคยเห็นเคยเห็นหนูไม่เหมือนหนูก็เลยเปิด์ไอเปริกเอพูดเชียงปฏิเสธ นั่นแหละไม่เหมือนไม่เหมือนกบไม่เหมือนปลาไม่เหมือนหนูไม่เหมือนแพะไม่เหมือนแกะไม่เหมือนวัวไม่เหมือนควายนั่นแหละเป็ดเอานั่นแหละเป็ดเขายายังมันมันอธิบายได้แค่นี้เพราะว่าไอ้คนไอ้คนถามมันไม่รู้พอจะชัดเจนเลยเนี่ยยอมเคยเห็นเป็ดไหมหมอได้ยัง หมดแล้วครับโอ้จงชื่นใจแล้วเกินอั น, นมารอวันนี้นี่ฮะรอคำนี้มากนี้ครับ